จเจริญพรทุกท่านวันนี้คนเยอะกว่าที่หลวงพอ่อนึกนะวันนี้วันเชียงเม้ง <c oughs> คนไปอยู่เมืองชนนเยอะมากเลย <c oughs> บัณฑ์พระพุทธหลุดเรา <c oughs> ต้องไปเชียงเม้ง <c oughs> ตายไปแล้วในโลกเป็นอย่างนี้นะในเมฆแต่ทุกสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปแต่คนไม่ ไม่จำไม่จำถ้าเราจำได้นะเราเวียนว่ายตายเกิดมากมายขนาดไหนนะเราจะเห็นความน่ากลัวของสังสารวัตแต่นี้เราจำไม่ได้ความทุกข์ความผิดพลาดอะไรต่ออะไรในชีวิตเนะี่ยเยอะแยะเลยแต่พอผ่านไปนะพอความทุกข์ทั้งหลายผ่านไปเราก็ลืมทำไมเราอยากลืมทำไมเราลืมเก่งความทุกข์ เราไม่อยากจำความทุกข์นะเราเวลามันมาเราไล่มันตลอดเวลาเลยให้มันไปเร็วๆเราไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นมันไปแล้วเราก็ไม่อยากจำมันไม่เหมือนความสุขนะความสุขมาแล้วไปเราก็จำถึงความสุขเอาไว้เรื่อยๆเราก็หิวความสุขไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาเราอยู่ในสังสารวัตรความทุกข์มาเราไม่จำมันนะแต่ความสุขมาเราจามันนะอะาไราาอวบ์ สังสารวัฏเลยไม่น่าเบื่อสําหรับพวกเรากลายเป็นของอ ร, ร่อยๆเราลืมความทุกข์ไปงั้การจะข้ามสังสารวัฏได้นะต้องเห็นทุกข์จริงๆสังสารวัฏเป็นของน่ากลัวนะบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเขากลัวสังสารวัฏกลัวความเกิดถ้ามีความเกิดแล้วมันก็มีทุกอย่างตามตามมาส่วนคนทั่วๆไปกลัวความตายอยากเกิดฉลองวันเกิดชอบเฮ้ยฮ แต่วันตายไม่อยากนึกถึงโลกธรรมมันก็สวนทางกันอยู่เรื่อยๆสังสารวัตเป็นของน่ากลัวมันปกปิดตัวเองไม่ให้เราเห็นโทษเห็นภัยของมันได้บัณฑิตทั้งหลายฝึกฝนตนเองให้เห็นโทษเห็นภัยของสังสารวัตรหรือจะข้ามสังสารวัตรได้ในพระไตรปิฎกในอัตถกาถาอะไรนี้ก็มีเรื่องที่ท่านสอนถึงโทษถึงภัยของสังสารวัตไว้เยอะแยะเลยมีอยู่เยอะเลย บางเรื่องท่านก็สรุปว่านี่แหละเป็นโทษเป็นภัยของสังสารวัตบางเรื่องท่านก็ไม่ได้สรุปอย่างมีอยู่เรื่องหนึ่งช่างทองช่างทองหลวงะเป็นคนทําทองให้พระเจ้าแผ่นดินแล้วแกนับถือพระปัจเจกกับพุทธเจ้านับถือมากเลยเวลาพระปัจเจกท่านมาก็จะต้องนิมนต์ให้ฉันข้าวที่บ้านนี่แกเลี้ยงนกกระเรียนไว้ตัวหนึ่งด้วย วันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินให้ทับทิมมาให้ทับทิมสวยงามแดงเชอะสีเหมือนเนื้อสดส ด, สดให้ช่างมาทามาเลี่ยมทองแกก็วางไว้นะแกก็ออกไปหาอาหารเข้าครัวอะไรเตรียมจะยกมาถวายพระไอ้นกกรเรียนมันเข้ามาเห็นนะนกนี่มันเชื่องก็เข้าบ้านมาเห็นทับทิมนี้มันนึกว่าเนื้อมันก็กินเข้าไป พระท่านเห็นพระท่านก็เห็นว่ามันกินทับทิมไปแล้วล่ะเสร็จแล้วพอช่างทองเข้ามาเห็นทับทิมหายไปสงสัยไขรต้องสงสัยภาพปัจเจกแล้วคนคนเดียวที่อยู่ที่นี่ถามท่านบอกว่าท่านเห็นทับทิมไหมท่านก็เห็นท่านก็เห็นทับทิมไปไหนท่านก็ไม่พูดแกก็โมโหมากนะว่า ไอ้พระนี่เสียแรงรับถือนะมันขโมยทับจิมไปไแก่ตีเลยตีท่านหัวแตกเลือดออกเลยตีใหญ่ตีจะเอาบังคับเอาทับติมคืนมาเพราะถ้าแกบไปได้ทับติมคืนมานะแกะมีความผิดพระนี่น่าสงสัยที่สุดเลยตอนตีตีท่านอยู่เนี่ยนกกระเรียนนะมันเห็นเลือดพระออกมามันก็เข้ามามันชอบกินอาหารสดๆอะไรเงี้ยก็เข้ามาวุ่นวาย อีตาช่างทองเขาลำขาดนกนาตีนกม้างตีซะคอหักทีเดียวคอหักตายเลยพอนกมันตายแลยว้วนะพระก็บอกเลยเราว่านกนี้มันกินไปอยู่ในท้องนกทับทิมเม็ดนี้แค่ผ่าท้องนกดูไปเจอทับทิมก็ตกใจว่าตีพร ะ, ส, ะสาหัสเลยถามทำไมท่านไม่บอกผมก่อนว่านกออกไปถ้านบอกถ้าท่านบอกนะนกตาย เท่ากับท่านบอกให้เขาค่าทกอะ่ะนี่ท่านก็รักษาศีลอยูท่านท่านไม่บอกไอ้ช่างนี่บอกผมทําความผิดใหญ่หลวงแล้วท่านบอปลอบช่างทองนะบอกว่ามันเป็นความผิดของสังสารวัตช่างทองก็มีความจําเป็นใช่ไหมต้องรักษาทับทินเม็ดนี้ไว้ท่านก็มีความจําเป็นต้องรักษากระทำวินัยไว้ทุกคนมีความจําเป็นนะ บางทีคนทําความผิดอะไรเขาก็จําเป็นเหมือนกันนะแต่บางคนก็สันดานนะบางคนก็จําเป็น <c oughs> นี่เป็นตัวอย่างที่บัณฑิตแต่ก่อนชี้ว่ามันเป็นโทษเป็นภัยของสังสารวัฏเราดูไม่ค่อยเป็นภัยเท่าไหร่ฟังยากมีอีกเรื่องหนึ่งแม่กับลูกนะพลัดกันลูกชายพลัดไปลูกชายเศรษฐีเก็บไปเลี้ยงนะแม่ก็ไปอยู่ที่อื่นร่อนเร่ไป วันหนึ่งกลับมาไม่รู้จักว่าเป็นแม่ลูกกันลูกชายไปแต่งงานกับแม่แตอมาถึงรู้ว่าแม่ถึงรู้ว่านี่เป็นลูกของตัวเองก็หนีออกไปนะรู้สึกว่าท่านจะบวชท่านก็บรรูุพระอรหันต์เนือะไรอย่างนี้ท่านก็ปรารบถึงเรื่องนี้ขึ้นมานี่แหละเป็นโทษเป็นภัยของสังสารวัต ในสังสารวัฏเนี่ยมีทุกมีโทษที่ซ่อนตัวอยู่ เ, เต็มไปหมดเลยนะบางทีเราไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เจตนาความน่ากลัวของมันมีอยู่ตลอดเวลามีบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเห็นในสังสารวัฏเป็นของร้อนเป็นโทษเป็นภัยไม่ดีเลยหรือบางทีพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อแย่งสมบัติอนพี่ฆ่าน้องอะไรนี้พี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่เลยทุกวันนี้ก็ยังมี เราคิดว่าจะครอบครองสิ่งต่างๆไว้สุดท้ายมันไม่ได้ครอบครองมันมีแต่ทุกข์มีแต่โทษเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้นะว่าทําไงเราจะออกจากสังสารวัตรที่เป็นทุกข์เป็นโทษเหล่านี้ได้ทุกข์โทษของสังสารวัตรที่ทุกคนต้องพบก็คือถึงวันหนึ่งมันจะต้องลงโทษเรามันต้องแกล้งเราจนเราตายทุกคนตั้งที่เกิดมาเนี่ยเราถูกพิพากษาว่าต้องตายถูกตัดสินประหารชีวิตมาแล้ว แต่ว่าชาหรื อ, อรเห็กกระท้านั้นเองนี่แหละความน่ากลัวของออสังสารวัตรเคยเห็นเขาเลี้ยงหมูไหมนหมูเวลานั่งรถไปเคยเจอไหมเขาขนหมูตัวแดงๆนะหมูสมัยก่อนอ้วนหมูเดี๋ยวนี้ผอมๆไม่มีขนด้วยตัวแดงๆให้อาหารมันไว้ถึงเวลาเอามันไปฆ่าตายเนี่ยเป็นโทษเป็นภัยน่ากลัวของสังสารวัตรพวกเราก็เหมือนกันนะ เราถูกหล่อเลี้ยงไว้แล้วไม่นานถึงวันหนึง่งเราก็ถูกเอาไปฆ่าตายเหมือนกันทำไงเราจะพ้นจากสังสารวัตที่น่ากลัวอย่างนี้ได้เราไม่พ้นได้ด้วยการร้องขอไม่ได้พ้นด้วยการร้องไห้คล่ำครวญเราจะพ้นได้ถ้าเราเห็นว่าสังสารวัตรนี้เป็นทุกข์เป็นโทษอย่างแท้จริงอย่างกิกสุนีนั้นท่านเห็นว่าสังสารวัตเป็นทุกข์นะท่ท่านหลงไปแต่งงานกับลูกชายอะไรอย่างเงี้ยนะ สังสวัตนี้ไม่ดีเลยท่านก็เบื่อหน่ายท่านก็พ้นไปงั้นถ้าเราเห็นทุกข์เห็นโทษของสังสารวัตรเราถึงจะพ้นจากสังสารวัตรได้ีแต่โดยธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกลียดทุกข์ความทุกข์มาก็อยากไล่ให้ไปเร็วๆนะความทุกข์ไปแล้วไม่ยอมคิดถึงแต่ความสุขเนี่ยอยากให้อยู่นานๆความสุขไปแล้วคิดถึงก็งยังอรเดดร่อยกับสังสารวัตไม่เลิก การจะพ้นจากสังสารวัตได้ยต้องรู้ทุกข์ให้มากวิธีรู้ทุกข์ไม่ใช่ต้องไปนั่งคิดถึงทุกข์ในอดีตเลยอย่างนั้นหรอกถ้าเราไปคิดถึงทุกข์ในอดีตนะมันก็ยังเปลี่ยนการคิดเอาอยู่นะยังไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานเส้นทางที่พระยจ้าทั้งหลายเดินอย่างแท้จริงมันก็แค่ทําให้เรารู้สึกว่าต้องขวนขวายไม่ประมาทนะชีวิตนี้มีความทุกข์เยอะแยะเลยที่ผ่านมานะรลาดับดูความทุกข์มากมายนะเราต้อง เจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องแก่เราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักองี้พวกเราในนี้ใครพ่อแม่ตายแล้วบ้างไหมมีไหมพลัดพรากจากสิ่งที่รักใช่หเป็นทุกข์ใครเบื่อสามีพัญยาไม่ต้องยกมือนะอย่ายกอย่ายกอันตรายที่สุดเลยนะอย่ายกนะการที่เราอยู่กับคนที่เราไม่ชอบนะคนที่เราเบื่อหน่ายเป็นทุกข์นะนี่เราจมอยู่ในความทุกข์แย่ๆเลยเราไม่ต้องไปคิดมากหรอก ในปัจจุบันนี้ความทุกข์อยู่รอบตัวเลยนะเรามีสตินะเรียนรู้ลงไปอะไรที่เรียกว่าทุกข์บ้างก็ากายนี่แหละคือตัวทุกข์ใจนี่แหละคือตัวทุกข์การที่เรามามีสติคอยเรียนรู้ความจริงของกายของใจเนืองๆอันนี้แหละคือเส้นทางที่จะทำให้เราพ้นจากสังสารวัตรได้สังสารวัตนั้นมีอวิชชาเป็นตัวผลักดันอยู่ถ้าเรายังมีความไม่รู้แจ้งในอริยสัจเราไม่รู้จกักทุกข์ ไม่รู้จักสมูทัยไม่รู้จักนิโรธไม่รู้จักมรรคไม่รู้ว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรต่อทุกข์ไม่รู้ว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรต่อสมูทัยต่อนิโรธต่อมรรคแล้วไม่ได้ลงมือปฏิบัติไม่ได้ลงมือรู้ทุกข์ไม่ได้ลงมือละสมูทัยไม่ได้ลงมือแจ้งนิโรธไม่ได้ลงมือเจริญอริยมรรคเนี่ยตะกราบใดที่เรายังไม่เข้าถึงสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเียนว่ายตายเกิดเรื่อยไปในสังสารวัตรที่มีความทุกข์ นะักทั้งในปัจจุบันนะนะความทุกข์ที่รอคอยอยู่ข้างหน้าทุกคนจะต้องเจอความทุกข์ที่รอคอยอยู่ข้างหน้าคือความตายบางคนก็ช้าบางคนก็เร็วนะบางคนไม่นึกว่าจะตายอย่างหนุ่มอย่างสาวอยู่ปุบ ป, ปับเป็นมะเร็งตายล้บางคนเป็นมะเร็งนะเสียใจกลัวตายอีกคนหนึ่งแข็งแรงไม่ได้เป็นมะเร็งแลรถทับตายก่อนคนเป็นมะเร็งก็มีนะเนี่สังสารวัตรเป็นอย่างนี้ให้เรามาเรียนรู้ทุกขซะ เรารู้ทุกข์แจมแจ้งใจจะคลายออกจากโลกใจจะคลายออกจากวัฏฏะวัฏฏะว่ามีกิเลสมีกรรมมีวิบากมีกิเลสตัวหัวโจก็คือตัวอวิชชาจิตก็มีความอยากขึ้นมาสับใดมีอวิชชาก็มีตัญหามีความอยากมีความอยากขึ้นมาจิตก็ทํากรรมทํากรรมนะดิ้นรนปรุงแต่งไปจิตดิ้นรนปรุงแต่งนะด้วยความยึดถือไว้ความทุกข์มันก็ติดเข้ามาด้วย มีกิเลสมีกรรมมีวิบากหมุนติ้วๆอย่างนี้ทำลายที่ตัวกิเลสไม่ทำลายที่ตัววิบาก ค, ความทุกข์เป็นตัววิบากเราอย่าไปทำลายความทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราละทุกข์ไม่ได้สอนให้เราทำลายความทุกข์ไม่ได้ให้เราเกลียดทุกข์แต่ท่านให้เรียนรู้ทุกข์ตัวที่เราต้องทำลายลงไปก็คือตัวกิเลสเพราะมีกิเลส น, นั่นแหละจะผลักดันให้จิตกระทำกรรมเพราะจิตกระทำกรรมแล้วนั่นแหละวิบากถึงได้เกิดขึ้นถ้าจะทำลายทำลายต้นทางะ ทำลายกิเลสแล้วจิตไม่กระทำกรรมอย่างจิตของพระอราหันต์เนี่ยไม่กระทำกรรมแต่จิตของพวกเรากระทำกรรมกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างจิตของพระอราหันต์นั้นเป็นแค่สักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าคิดนึกไปเป็นกิริยาอาการไปเท่านั้นไม่มีกิเลสผลักดันอยู่เบื้องหลังเพราะนั้นท่านไม่มีพบไม่มีชาติไม่มีทุกข์รออยู่ข้างหน้าในขณะที่พวกเรายังมีอวิชามีตัณหาอยู่มีอุปาทานความยึดถืออยู่ มีภพคือการปรุงแต่งดินรนทํางานของจิตปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างนะปรุงดีก็ทุกแบบคนดีปรุงชั่วก็ทุกแบบคนชั่วนะปรุงนิ่งปรุงว่างทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะก็มีทุกแบบของมันเองทั้งนั้นเลยนะงั้นเมื่อไหร่มันปรุงแต่งนะสร้างภพสร้างชาติขึ้นในจิตใจและความทุกข์ก็ติดเข้ามาทันทีเลยเราจะทําลายการปรุงแต่งทําลายความทุกข์ออกไปจากใจได้ ถ้าเราทำลายกิเลสซึ่งเป็นต้นต่อออกไปได้วิธีทำลายกิเลสนะ่มีหลายอย่างสนองกิเลสก็ทำให้กิเลสดับใช่อยากฆ่าเขาไปฆ่าเขาตายความอยากฆ่าเขาก็หายอยากขโมยเขาไปขโมยนะความอยากขโมยก็หายเพรได้สมบัติของเขามาแล้วอเ น, นี่ยนะสนองกิเลสกิเลสก็าหายเหมือนกันแต่ไม่ใช่วิธีที่จะแก้ปัญหาได้จริงจัง หมดกิเลสอันหนึ่งก็มีกิเลสอีกอันหนึ่งมารอรับทันทีเลยจะวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดแล้วการกระทํากรรมชั่วนั้นยังไงก็ต้องมีผลชั่วนะมีความทุกข์มีความเผ็ดร้อนที่จะต้องตามมาอย่างแน่นอนนะไม่ว่าเล็กว่าน้อยแค่ไหนแล้วนะเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจนะค่อยคฝึกของเราค่อยค่รู้ค่อยๆ่อ ย, อ ย, อ ย, อ ย, อยดนะูบางคนมันตามใจกิเลสเราจะมาฝึกจิตแล้วพบว่าตามใจกิเลสนะนะไม่ได้ผลหรอก นี่บางคนก็ใช้วิธีข่มกิเลสมีความอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสบายก็อยู่ลําบากแกล้งมันข่มมันต่อต้านมันพวกแรกเนยะคือพวกตามใจกิเลสสนองกิเลสพวกที่2เนะี่ยพวกแอนตี้กิเลสต่อต้านกิเลสต่อสู้กับ ก, กิเลสเหนื่อยนะเวลาจิตมีราคะถ้าไม่ใช่พระไม่ใช่นักบวชไม่รู้นะเว่าไม่กี่วันนี้มีคนจะมาขอบวชจะหลวงพ่อ พนะ อ, อกำหนดบรรบวดเท่านั้นนะสารภาพเลยว่าราคาหนาะรุนแรงมากเลยตอนก่อนจะบวชนะรู้สึกราคาไม่ค่อยมีแล้วพอจะบวชนะราคารุนแรงเลยเห็นไหมสังสารวัตรน่ากลัวนะมันจะถ่วงไม่ให้ไปจริงหรอกงา้นเพรา ะ, ะไรเพราะว่าพอไปบวชเนี่ยจะต้องไปสู้กับราคะไม่ยอมแพ้มันนล้วไม่ตามใจมันแล้วกนะิเลสยิ่งแผลงริดใหญ่เลยเวลาน้ําไหลมาน้ําไหลไปในแม่น้ำํำนะมันก็ไหลไปธรรมดา แต่พอเราไปทดน้ําไปกั้นน้ำนะน้ํามีพลังน้ํามีแรงใช่ไหมมีแรงทําลายล้างมากขึ้นทําไมกรุงเทพถตกทําลายล้างมากขึ้นเพราะทุกคนไปบีบน้ําให้อยู่ในแม่น้ำอะไรบีบมันเข้าไปบังคับมันเข้าไปกิเลสเหมือนกันนะยิ่งเราต่อต้านมันแรงนะมันยิ่งสัตว์เราแรงถ้าเราสักว่ารู้สักว่าเห็นนะเป็นกลางกับมันไนดะ้นี่เจริญปัญญาไปกิเลสผ่านมาก็สักว่าเห็นกิเลสผ่านไปก็สักว่าเห็น ย่าปลอยให้กิเลสครอบงำจินในขณะเดียวกันไม่ได้ต่อต้านกิเลสสักว่ารู้สักว่าเห็นไปเลยจะเห็นว่าราคามาแล้วราคาก็าไปโทสามาแล้วโทสาก็าไปอะไรๆมาแล้วอันนั้นก็ไปสิ่งใดผ่านมาสิ่งนั้นผ่านไปเนี่ยเจริญปัญญาไปเรื่อยนะต่อไปเราจะสู้กิเลสที่ประณีตแนบเนียนได้เรื่อยๆไม่ได้ดูเฉพาะกิเลสหรอกมีอะไรให้ดูก็ดูเช่นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจนะก็รู้ทัน ความสุขผ่านมาแล้วความสุขก็ผ่านไปความทุกข์ผ่านมาแล้วความทุกข์ก็ผ่านไปเนี่ยดูทุกอย่างในชีวิตเราผ่านมาแล้วก็ผ <TR 's> ่านไปดูหยาบหยาบขึ้นมาก็คือคนที่เรารู้จักใช่ไหมเคยเห็นเคยเห็นอยู่ตายไปก็มีไปอยู่ย้ายบ้านไปก็มีย้ายที่ทํางานไปก็มีนี่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอันนี้ของนอกให้เรามาดูของไหนให้มากในกายในใจของเรานี่มีแต่ของผ่านมาแล้วผ่านไปเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออก การหายใจเข้าผ่านมาแล้วการหายใจเข้าก็ผ่านไปการหายใจออกผ่านมาแล้วการหายใจออกก็ผ่านไปการยืนการเดินการนั่งการนอนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งสิ้นเลยความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยในจิตใจผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตเองก็ผ่านมาผ่านไปเดี๋ยวก็เป็นจิตที่ดูจิตที่ดูก็ผ่านไปเดี๋ยวก็เป็นจิตที่คิดเดี๋ยวก็เป็นจิตที่ฟัง เดี๋ยวพวกเรามานั่งฟังหลวงพ่อเทศน์เนี่ยเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อใช่ไหมเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังฟังสองสามคำก็ไปคิดฟังสลับกับคิดเนี่ยจิตที่ฟังก็มาแล้วก็ไปจิตที่คิดมาแล้วก็ไปทุกสิ่งในชีวิตเรานี้แหละผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่เรียกว่าเราจเจริญปัญญาถ้าวันใดนะปัญญาของเราแก่รอบแก่กล้าสามารถมากๆนะมันจะเริ่มเห็นความจริงเลยว่า สิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือขันธ์ห้าร่างกายนี้ความรู้สึกสุขทุกข์ความจําได้ความหมายรู้นะแล้วก็ความปรุงดีพลุงชั่วความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกอย่างนี้ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เท่าเทียมกันทั้งหมดเลยทุกอย่างมาแล้วก็ไปทําไมเรามาเรียนเรื่องขันธ์ห้เพราะว่าขันธ์ห้านี้แหละถ้ามันมารวมกันเข้าแล้วเราเข้าไปหมายนะแล้วก็ไปกําหนดรู้นะมันจะกลายเป็นตัวเรา แต่ถ้าขันห้านี้มันแยกออกเป็นส่วนๆวนร่างกายอยู่ส่วนร่างกายร่างกายจะไม่ใช่ตัวเราเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ส่วนของเวทนาเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราสังขารอยู่ส่วนสังขารคือเช่นความโลภความโกรธความหลงนะความดีนี่ก็เป็นสังขารศรัทธาเป็นสังขารทุกอย่างมีแต่ความแปลกปวนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนี่ยดูเข้าไปดูซ้ําดูซากนะกระทั่งจิตใจของเรา จิตใจก็ผ่านมาผ่านไปเดี๋ยวก็เป็นจิตดูเดี๋ยวก็เป็นจิตฟังเดี๋ยวก็เป็นจิตคิดนะจิตมันเกิดอยู่ในทวารทั้ง6นะเกิดที่ตาก็าไปดูรูปเกิดที่หูก็ไปฟังเสียงเกิดที่จมูกนะไปดมกลิ่นเกิดที่ลิ้นไปรู้รสเกิดที่กายก็รู้สัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งที่มากระทบร่างกายเกิดที่ใจนะก็รู้ได้หลายอย่าง รูปบางอย่างก็ได้อย่างเราหลับตาเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้ด้วยใจเรารู้รูปบางอย่างรู้ด้วยใจความรู้สึกทั้งหลายนั่นรู้ด้วยใจสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายรู้ด้วยใจจิตก็รู้ด้วยใจนิพพานก็รู้ด้วยใจเรื่องราวที่เราคิดขึ้นมาก็รู้ด้วยใจแสิ่งที่รู้ด้วยใจเนี่ยกว้างขวางสิ่งที่รู้ด้วยตามีแต่รูปสิ่งที่รู้ด้วยหูมีแต่เสียงแต่สิ่งที่รู้ด้วยใจเนี่ยสารพัดเลยมีเยอะแยะเลยและมากมายไก่กอง ถ้าเรามาหัดรู้หัดดูเราจะเห็นเลจิตนี้เกิดดับอยู่ทางธวัตทั้งหกนะจิตผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเช่นเดียวกับความสุขความทุกข์เช่นเดียวกับกุศลอกุศลเช่นเดียวกับร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนไปเรื่อยๆการเฝ้ารู้เฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้า ด, าดูเรื่อยไปนะเราจะเห็นนลไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่ของที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หายไปถ้าเห็นตรงนี้ได้เราจะได้ธรรมมาเบื้องต้นเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันไม่ใช่คนนั่งสมาธิเก่ง พระโสดาบันบางองค์อาจจะมานั่งสมาธิไม่เก่งเลยได้ปฐมฌานไดน้นี้นี่หน่อยๆเท่านั้นเองไม่เก่งนไม่ใช่คนที่อะไรบังคับตัวเองเก่งอย่างบางคนวาดภาพนะพระละหั น, นเหมือนคนพิการนะกระดูกกดิกก็ไม่ได้นะยิ้มยังไม่ได้เลยพระละหันนะถ้ายิ้มถือว่าโลภหน้าบึ้งล่ะเดี๋ยวพระละหันไม่ยิ้มหน้าบึ้งหาว่าโกรธอีกสินี่นั่งเฉยๆวันๆไม่พูดกับใคร <Yeah. S 1> อารมณ์ไม่ดีโกรธ เอาอะไรไปวัดน ะ, นะเราไปวาดภาพพระอราหันต์จเหมือนวุ่นยนต์ไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรเลยทื่อๆซื่อบื้ออะไรเงี้ยอันนี้คิดเราเองนะเราต้องดูธรรมะดูธรรมะจริง ๆ, ๆอยาพระโสดาบันเนี่ยท่านล้างความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนมีความเป็นตัวตนในขันห้ามีความเป็นตัวตนนอกเหนือจากขันห้าอีกถ้าล้างความเห็นผิดตัวนี้ได้ท่านก็เป็นพระโสดาบัน พระสอดาบันยังทำความผิดเล็กๆน้อยๆอะไรนี้ทําได้ยังทําผิดอยู่นะแต่ไม่ผิดศีลเท่านั้นหองนะเนี่คยค่อยๆฝึกนะเบื้องต้นถ้าเราเห็นร่างกายความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเห็นจิตเห็นใจเกิดแล้วดับไปอะไเนี่ยเป็นทางที่วันหนึ่งจิตจะปิ๊งขึ้นมาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความจําไม่ใช่ตัวเราความคิดปรุงแต่งไม่ใช่ตัวเรา ความรับรู้คือตัวจิตที่ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่าไม่มีเราเนี่ยเป็นโสดาบันต่อไปก็มาพาณาต่อมารู้ทุกก็มาคือรู้กายรู้ใจรู้ธาตุรู้ขันนี่แหละดูกายมันทํางานต่อไปดูจิตมันทํางานต่อไปร่างกายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนติ้วติ้วติวติอยู่อย่างนี้ทั้งวันการที่เราเห็นนะมันเปลี่ยนแปลงมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปทั้งวัน ในที่สุดจิตมันจะเบือ่อเพราะเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตจะเบือนะ่อพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เองว่าถ้าเรามีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารสิ่งที่เรียกว่าสังขารก็คือกายกับใจเรานี่แหละถ้าเรามีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารเราจะเบื่อหน่ายในความทุกข์เพราะอะไรคําว่าความทุกข์คือตัวอะไรก็ตัวกายตัวใจตัวสังขารเรานา <c ười> ี่เองเราเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเราจะเบื่อหน่าย ท่านบอกว่าถ้าเมื่อไรมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารก็จะเบื่อหน่ายในทุกขนี่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นถ้าเมื่อไรมีปัญญาเห็นความเป็นทุกข์ของสังขารเมื่อนั้นแหละจะเบื่อหน่ายในทุก์คือเบื่อหน่ายในตัวสังขารนี่แหละเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นเมื่อไร่มีปัญญาเห็นความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวใช่ตนการบังคับไม่ได้นะของสังขารคือกายนี้ใจนี้ เมื่อนั้นจะเบื่อหน่ายในความทุกข์ก็คือเบื่อหน่ายในใกายในใจในธาตุขันธ์นี่เองนี่แหละเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นเมื่เราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้นะเราต้องมีปัญญาเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจให้มากพอนะเรียนเห็นความจริงมากแล้วว่าความจริงก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นมากแล้วนะมันจะเบื่อพอเบื่อแล้วมันจะคลายความยึดถือกายยึดถือใจออกจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลก ถ้าเราเบื่อหน่ายจริงๆแล้วจะจิตเจริญปัญญาไปเรื่อยนะเห็นความจริงท่องแท้จิตจะคืนกายคืนใจไปเป็นลำดับลาดับเบื้องต้นจะคืนกายก่อนเพราะกายเนี่ยจะเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษง่ายๆนะกายเนี่ยคนนอกศาสนาพุทธนีเขาก็เห็นได้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายไม่นานก็ตายอะไรเนี่ยเะั้นเบื้องต้นที่พวกเราหัดภาวนาดูกายดูใจไปเรื่อยนะ มันจะเห็นความจริงของกายแจม่มแจ้งก่อนทั้งๆที่เราหัดดูจิตนะไม่ใช่เราต้องไปดูกายก่อนหรอกดูจิตนี่ก็เห็นกายนะดูกายถ้าดูเป็นก็เห็นจิตมันเหมือนเหรียญอันเดียวกันนะหัวก้อยอย่างนั้นแหละหยิบอันนึงขึ้นมาอีกอันหนึ่งมันก็ติดขึ้นมาอย่างเราดูกายใครเป็นคนดูกายก็จิตเป็นคนดูกายงั้นถ้าดูเป็นแนะแยกกายแยกจิตได้มันก็เห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตนะถ้าเราหัดดูจิตบ่อยๆ เราจะเห็นเลยจิตเปลี่ยนเพราะว่ากายมันเปลี่ยนได้เหมือนกันนะเช่นตาหูจมูกลิ้นกายมันกระทบอารมณนะ์จิตมันก็เปลี่ยนตาไปเห็นรูปที่สวยจิตก็เปลี่ยนตาไปเห็นรูปไม่สวยจิตก็เปลี่ยนเนะีกายกับจิตนะมันเรื่องกันไปนั้นะถ้าเราแจ่มแจ้งมีตัวหนึ่งเป็นตัวหลักไว้นะมันจะเห็นอีกตัวหนึ่งด้วยถ้าดูเป็นถ้าดูไม่เป็นจะไปเพ่งดูกายเห็นแต่กายดูจิตเห็นแต่จิตอันนั้นสมถะกรรมฐานถ้าเดินปัญญาเป็นจะเห็นกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิต ตางคนต่างทํางานนั้นะเราฝึกให้ได้อย่างนี้นะฝึกจนกระทั่งจิตของเรามันเป็นคนดูมันจะเห็นหน้ากายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตเห็นละเอียดเที้นไปก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนความสุขความทุกข์ไม่ใช่กายไม่ใช่จิตไปเห็นกุศลอกุศลที่เกิด น, นะก็มีปัญญาอีกกุศลอกุศลนะนนะไม่ใช่กายไม่ใช่จิตอีกแต่ละอันแต่ละอันแต่ละธาตุแต่ละขันนี่แยกออกไปดูไปเรื่อยนะมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาซนะ้ําแล้วซ้าอีก แต่ว่ามันจะไปปิ้งขึ้นก่อนเลยเพราะกายนี้มันไม่ดีเลยนะกายนี้ไม่ดีเลยเพราะว่ามันไม่เที่ยงบางคนก็ดูกายนี้ไม่ดีเลยเพราะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลายอย่างเรานั่งอยู่นี่เมื่อยไหมนั่งอยู่ก็เมื่อยนะต้องขยับไปขยับมาใช่ไหมขยับอะไรบ้างนึก อ, ออกไหมขยับเอวมีไหมขยับนะแกวงเอวนะอยังตรึงอยู่กับที่เห็นไหมยังติดอยู่กับพื้น ขยับข้างล่างไม่ได้ขยับข้างบนขยับขาขยับไหขยับท้องไหมหรือใครมานั่งตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วท้องยังไม่ได้ขยับเลยอศัศจรรย์มากเลย <c oughs> ประหลาดมากเลยเป็นไปไม่ได้หรอร่างกายนี้ทำไมต้องขยับอยู่ตลอดเวลามันถูกความทุกข์บีบคั้นความทุกข์นี้บีบคั้นร่างกายอยู่แต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เราไม่เคยสนใจที่จะรู้ การเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยมันปิดบังความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายเหล่านี้เองเงั้นก่อนที่จะเปลี่ยนอิริยาบถนะนั่งอยู่พอเมื่อยพอเมื่อยอย่าเพิ่งขยับนะให้รู้ตัวซะหน่อยว่ามันเมื่อยมันจะเห็นเออร่างกายนี้แม่งเอาไหนเลยเว้ยเมื่อยละขยับซะหน่อยนะให้นั่งให้สบายใหม่สบายไปแป๊บเดี๋ยวเมื่อยอีกแล้วนะเมื่อยแล้วอย่าเพิ่งขยับนะรู้สึกก่อนเออมันเมื่อยนะอย่างนี้ไม่นานก็เห็นทุกข์ในร่างกายได้เดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวปวดเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อน นั่งนานๆขาเป็นเน็บใครขาเป็นเน็บบ้างตอนนี้ยกมือสิแล้วทำยังไงดีขาของเราเป็นเน็บหรือขาเป็นเน็บหรือตัวเราเป็นเน็บไม่เหมือนกันนะถ้าตัวเราเป็นเน็บเนี่ยไม่ได้ภาวนาเลยถ้าขาเห็นขากับตัวเราคือขากับจิตเป็นคนละอันกันนะขามันเป็นเน็บอย่างนี้ดีที่สุดเลยเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะกายนี้มีความทุกข์บีบขั้นอยู่ตลอดเวลา ร่างกายนี้เป็นวัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นวัตถุอันนี้เรียกว่าเราเห็นอนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์หรอกเป็นวัตถุมีธาตุไหลเข้าไหลออกอยังไงที่หลวงพ่อบอกไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาหายใจเข้าไปหายใจออกมามีไหมใครไม่หายใจบ้างหลวงพ่อจะได้หนีไปก่อน <c oughs> น่ากลัวมากเลยมันไม่หายใจแล้วมันมาเดินมานั่งอยู่แถวนี้นะ เนี่ยดูไปมันจะเห็นเลมันเป็นแค่วัตถุเหมือนถุงหนังใบหนึ่งก็เพิ่มเข้าก็เพิ่มออกนะลมไหลเข้าไปมันก็โป่งขึ้นมาลมออกไปมันก็แฟบพอมานไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยการที่เรามีสติรู้สึกอยู่ในกายนะก็จะเห็นในยกายไม่เที่ยงกายเป็นทุกข์กายเป็นอนัตตาก็จะเห็นอย่างนี้แหละถ้าเรามาดูจิตดูใจเราก็จะเห็นว่าจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันจิตไม่เที่ย ง, นนาา ย, งยังไงนะ จิตเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกขุ้มดีคุ้มร้ายรู้สึกไหมเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห่รู้สึกไหมเดี๋ยวปีติเดี๋ยวเศร้าโศกน้ําตาไหลเหมือนกันปีติก็น้ําตาไหลนะเศร้าโศกก็น้ําตาไหลแต่ข้างในไม่เหมือนกันข้างนอกเหมือนกันร่างกายเหมือนกันน้ําตาไหลแต่ข้างในใจนี่ไม่เหมือนกันเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเลยปีติก็ชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวนะอะไรอะรก็ชั่วคราว การที่เราเห็นว่าจิตใจเรามีแต่ของชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วก็ชั่วคราวจิตที่ไปดูจิตที่ไปฟังจิตที่ไปคิดก็ชั่วคราวนี่เรียกว่าเห็นอนิจจ์นะเห็นทุกขังของจิตของใจเป็นยังไงเราเห็นไหมจิตเราถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตมีความอยากนะมาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยร่างกายถูกเวทนาบีบคั้นนะแต่จิตใจเนี่ยถูกตัณหาบีบคั้นอยู่ตลอด อยู่นิ่งได้ไหมอยู่นิ่งไม่ได้อยู่นิ่งไม่มีความสุขรู้สึกอย่างนั้นนะอยู่เฉยๆทุกตายเลยคนที่ไม่ได้ฝึกฝนสมาธิมาถ้าจิตให้จิตอยู่นิ่งๆทั้งวันนะบางคนบ้าเลยนะนิ่งเกินไปเหงาเหงาลืมดูว่าจิตเหงาจิตแต่เดิมไม่เหงาตอนนี้เหงานี่เห็นจิตไม่เที่ยงแต่ว่าความอยากเกิดขึ้นนะจิตก็ถูกบีบคั้นจิตนะมีความอยากเกิดขึ้นทั้งวันหรอก เดี๋ยวอยากโน้นเดี๋ยวอยากนี้เดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นเดี๋ยวอยากได้รสเดี๋ยวอยากกระทบสัมผัสทางกายเดี๋ยวอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งอยากปฏิบัติเวลาปฏิบัติอยากไหมต้องอยากก่อนไม่อยากจะปฏิบัติทําไมอ่ะเพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติอัตโนมัติเบื้องต้นต้องอยากไว้ก่อนมีความอยากนี่แหละบีบคั้นทําให้จิตต้องทํางานตลอดเวลาจิตที่ถูกทํางานตลอดเวลานะมีความสุขไหมล่ะหรือมันมีความทุกข สังเกตไหมจิตเราทํางานตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยนะหลับแล้วจิตก็ไม่เลิทํางานนะจิตก็ยังทํางานอยู่ทั้งวันทั้งคืนถ้าเป็นคนเป็นร่างกายแล้วตายไปนานแล้วจิตเนี่ยจิตทํางานไม่มีหยุดเลยไม่มีลองวิกเอนนะความจริงมีเหมือนกันนะถ้าเข้าฌานได้คล้ายครลองวิกเอนนะแต่มันก็ไม่นานมากนะโยเวนไปตายไปอยู่ในโรมโลกก็ไปเข้าฌานอยู่ไม่มีร่างกายมากระทบกระทั่งก็อยู่ได้นาน อเราเข้าชาตไปไม่นานก็หิวอีกแล้วเดี๋ยวก็ต้องออกมากินข้าวเนี่ยดูลงไปนะมีแต่ความทุกข์ดูลงไปยังไงเห็นจิตเป็นอนัตตาเห็นหั้ยจิตจะดีสั่งให้ดีไม่ได้จิตจะชั่วห้ามชั่วไม่ได้จิตจะสุขสั่งให้สุขไม่ได้สุขแล้วสั่งให้อยู่นานๆก็ไม่ได้จิตจะทุกข์ห้ามมันทุกข์ก็ไม่ได้นะทุกข์แล้วไล่มันก็ไม่ไปเราไม่มีอำนาจเหนือจิต จิตมันทํางานของมันเองมันไม่ใช่อยู่ในอานาจของเราถ้าจิตอยู่ในอานาจของเรานะทุกคนจงสั่งเลยทุกคนเอาจิตเอ๋ยจิตเจ้าจงบรรลุพระอรหันในการระบาดนี้เถินจ้างมันก็ไม่เป็นนะเอมันเป็นมันสั่งไม่ได้แค่ตั้งใจจะไม่ผิดศีลห้าทำได้เปล่าละ่ะไหมจิตมันไม่ยอมมันอยากทําผิดศีลนะ่ะนะจิตนะ่ะควบผุมยากบังคับยากไม่อยู่ในอานาจจริงหรอก อย่าคิดอย่าคิดทำได้ไหมอย่าคิดก็จะคิดว่าทำยังไงจะไม่คิดก็ ค, คิดจนได้แหละเนี่ยเราดูลงไปในในความเป็นจริงจิตนี้เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้มันเป็นตัวของตัวเองไม่มีเจ้าของเราไม่ใช่เจ้าของมันนะดูให้ดีเถอะมันเป็นนายซะด้วยซ้ำไปนะแต่มันตกเป็นทาตตันหาอีทีนึตันหามันเป็นลูกน้องของอวิชชาจริงแล้วเรามาค่อยหัดนะมาดู ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของร่างกายความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของจิตใจนะทีแรกจะเห็นแจ้งที่กายก่อนพระจิตจะปล่อยกายพระจิตปล่อยกายจิตจะไม่ทุกข์เพราะกายละร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายจิตจะไม่ทุกข์ด้วยความทุกข์มีอยู่ที่กายไหมพระละหัน์เวลาถูกหมอฉีดยาเจ็บไหมพระละหันไม่เจ็บหรอกแขนมันเจ็บห <c oughs> <c oughs> รอกความเจ็บมันมาอยู่ในแขนอย่างเงี้ยนะ ความรู้สึกทางกายมีนะมีพระภิกษุณีองค์หนึ่งชื่อพระอุบลวรรณาพระอบลวรรณาถูกข่มขืนนะล้านชายข่มขืนเนี่ความน่ากลัวของสังสารวัตรนะแล้วภิกษุณีด้วยกันไปถามว่าตอนที่ท่านถูกข่มขืนท่านรู้สึกอย่างไรก็บอกรู้สึกเหมือนผู้หญิงถูกข่มขืนนะั่นแหละก็ไปโจทย์กันว่านี่แน่นอาบัติแล้วขาดจากความเป็นภิกษุณีแล้วพรนะเจ้าบอกไม่ใช่ นั่นเป็นเรื่องทางร่างกายเป็นความรู้สึกทางกายเราหยิกก็เจ็บแหละใช่ไหมเอาไม้มาตีก็เจ็บแหละทางร่างกายนี่ไม่เปลี่ยนนะแต่ทางจิตใจนไม่มีเลยไม่มีความทุกข์ทางจิตใจเข้ามาเจือปวนได้ไม่มีอะไรแฝงเข้ามาได้นี่เบื้องต้นเนี่ยมันแจ้งกายนะปล่อยกายแล้วเข้ามาที่จิตต่อไปแจ้งที่จิตว่าจิตนี้เป็นตรายักษ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ปล่อยวางจิต เมื่อปล่อยวางจิตได้เนี่ยวัฏ ต, ตะจะไม่มีอีกต่อไปแล้ววัฏ ต, ตะจะถูกทําลายแล้วเพราะอะไรพระจิตนี่เปรียบเหมือนมเมล็ดของต้นไม้เหมือนเม็ดมะม่วงอะ่ะเรากินเนื้อหมดแล้วเหลือแต่เม็ดมันใช่ไหมเม็ดมันเนี่เอาไปเพาะเนี่ยขึ้นต้นมะม่วงใหม่ได้ใช่ไหมออกลูกได้อีกเยอะแยะเลยจิตดวงเดียวนี้แหละนะถ้าหยั่งลงสู่ภพแล้วนะมันจะเกิดรูปเกิดนามขึ้นมาได้อีกเกิดขันห้าขึ้นมาได้อีกมีจิตอันเดียวนะก็ไปสร้างขันห้าใหม่ได้ จิตยางลงเมื่อไหร่นะก็ เ, เกิดรูปเกิดนามขึ้นงั้นถ้าเมื่อไหร่นะเราทำลายเชื้อเกิดในจิตนี้ได้ทำลายอาวิชชาได้มันเหมือนมเมล็ดมะม่วงซึ่งต้นมันแก่นไปแล้วนะต้นอ่อนในเม็ดมันตายไปแล้วเอาไปลวกน้ำร้อนนะต้นต้นอ่อนในเม็ดมันตายไปแล้วหรือข้าวสารข้าวเปลือกอะเราเอาไปต้มนะต้นอ่อนของข้าวเปลือกตายไปแล้วเอาไปปลูกไม่ขึ้น นี่เราก็เหมือนกันเราทำลายเชื้อเกิดก็คือทำลายอาวิชชาให้ได้ถ้าทำลายอาวิชชาได้เราจะทำลายเชื้อเกิดได้เราจะพ้นจากวัตฏะถ้าเรายังทำลายอาวิชชาไม่ได้นะเรายัางหนีวัฏตะไม่ได้เรายังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเวียนว่ายตายเกิดทีไรก็เป็นทุกทุกทีนะสา ร, สรวัตรนี้น่ากลัวไม่มีที่ตั้งตน้นไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่ยังเหลืออวิชชาอยู่ สังสารวัฏนี้เราจะไม่รู้เงื่อนต้นไม่รู้เงื่อนปลายเลยมาจากไหนไม่รู้จะไปสิ้นสุดที่ไหนไม่รู้แต่ว่าถ้าเราตัดวงจรของอวิชชาที่มันจะปลุงขึ้นมาในจิตได้ทําลายอาวิชชาได้นะทำลายตัณหานะก็คือทําลายกิเลสได้จิตจะไม่ปรุงแต่งไม่กระทํากรรมและจิตไม่กระทํากรรมนะจะไม่มีวิบากสิ่งที่เรียกวิบากขันห้าเรานี้แหละเป็นตัววิบากขันนี่แหละเป็นตัววิบาก อย่างพวกเราทำไมหน้าตาไม่เหมือนกันเพราะเรามีวิบากที่ไม่เหมือนกันบางคนหน้าตาดีบางคนหน้าตาไม่ดีบางคนร่างกายแข็งแรงบางคนร่างกายไม่แข็งแรงใช่หไหว่าขันนี้มันเป็นตัววิบากมันเป็นผลจากการกระทำกรรมที่แตกต่างกันนะขันนั่นแหละตัวทุกขนะหัวจบของทุกขก็คือตัวขันนั่นแหละส่วนอาการปรากฏของทุ ก, ก็เช่น ความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาอะไรนะี่สิ่งเหล่านี้เป็นอาการปรากฏของตัวทุกขตัวทุกแท้ๆก็คือตัวขันตัวกายตัวใจเรานี่เองนะถ้าแจ้งตัวนี้ได้จิตไม่เข้าไปยึดเกาะนะจิตไม่ก็อย่างลงไปไม่เข้าไปยึดไปเกาะรูปนามขึ้นมาไม่ไปหยิบช่วยรูปนามขึ้นมานะก็ความทุกข์ก็ไม่มีสังสารวัฏก็ไม่มีอีกต่อไปนะสู้นะสังสารวัฏนี้น่ากลัว บัณฑิตทั้งหลายกลัวสังสารวัฏไม่กลัวความยากลาบากในการปฏิบัติไม่กลัวความยากลบาบากในการฝึกฝนตนเองพวกเราต้องตั้งใจจริงในการฝึกฝนตนเองวิธีที่จะฝึกฝนตนเองให้ได้ผลดีที่สุดนะอันแรกเราต้องเรียนรู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นต้องรู้วิธีปฏิบัติให้แม่นก่อนนะที่หลวงพ่อพร่ำสอนมามากมายเนะี่ยคือวิธีปฏิบัติทั้งนั้นเลย นะวิธีทำสมถะทำยังไงทําสมถะทําไปเพื่ออะไรวิธีทำํำมิปั ส, สนาทําไปยังไงทําไปเพื่ออะไรนะสอนวิธีให้นะถัดจากนั้นสิ่งที่สําคัญนะคือเราต้องลงมือปฏิบัติทําให้สมควรแก่รมอย่าไปหลงในธรรมที่เนิ่นช้านะถ้าพวกเรามีกําลังพอเราต้องพ้นจากสังสารวัฏในชีวิตนี้ให้ได้ถ้าชีวิตนี้กําลังไม่พอนะอยังช้าในเจดชาตินี้เราต้องพ้นให้ได้ต้องตั้งใจไว้อย่างนี้นะ ถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะอินรีเรอ่อนจริงๆเราตั้งใจไว้เราขอไปพบพระศีริยะเมตรัยพระพุทธเจ้าถัดไปเคยมีคนบอกหลวงปู่ดูลนะไปเรียนท่านบอกอยากทำบุญทำทานไ เ, เนี่ยไปฟังเทศมหาชาติมา13กันเลยในวันเดียวนี้แหละตายแล้วจะได้ไปเจอพระศีริยะเมตรัยเดี๋ยวเขาบรรลุธรรมง่ายๆเลยหลวงปู่ดูลบอกเนี่ยมันนิสัยเหลวไหลตั้งแต่ชาตินี้นะ ทือขี้เกียจปฏิบัตินะไปเจอพระสีอานะสะสมนิสัยเหลวไหลมากกว่านี้อีกนะมันก็ไม่ทำอีกแหละเพราะฉั้นเราต้องรีบพ้นจากสังสารวัตให้เร็วที่สุดนะเรื่องอะไรเราจะต้องจมแช่ในความทุกข์ให้นานๆเพื่อจะไปพบพระพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปเพื่อจะต้องมาทำสิ่งเดียวกันนี้อีกเพนะฉั้นหน้าที่ของพวกเราต้องรีบปฏิบัติซะปฏิบัติทาให้สมควรแก่ทำนะวางตัวให้ดีวางตัวให้ถูกต้อง ต้องเป็นคนมักน้อยถ้าเป็นคนโลภมากปฏิบัติยากวันวันมีแต่อยากอยากอยากไปเรื่อยนะปฏิบัติยากต้องเป็นคนสันโดษเราพอใจในสิ่งที่เรามีอย่างเรามีสามีอย่างนี้เราพอใจแล้วก็เราบุญบา ร, รมีเราแค่นี้แหละก็บุญเราแค่นี้สันโดษนะพอใจใจไม่เร้าร้อนนะมักน้อยไม่โลภสันโดษพอใจในสิ่งที่มีมีความวิเวก มิเบคือไม่คลุกคลีนะวันวันึยุ่งกับคนมากๆคลุกคลีกระตรงกระเตงช้าทําให้ล่าช้าผัดจากนั้นนะมากน้อยสันโดษวิเวกก็คือไม่คลุกคลีนะปรารบความเพียรวันวันหนึ่งเราต้องคิดถึงการปฏิบัติบ้บางไม่ใช่คิดถึงแต่ว่าวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนวันนี้จะกุยกับใครวันนี้ได้หายใจหรือยังหายใจแล้วรู้สึกตัวหรือยังวันนี้กิเลสเกิดกี่ครั้งเห็นไหมอะไรอย่างนะี้นะ ให้ใจมันเคล้าเคลียรเรียกว่าเราปรารบความเพียนให้เราจเจริญสตินะคอยรู้สึกอยู่เรื่อยร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกให้เราฝึกสมาธิคือฝึกให้จิตอยู่กับเนื้นอกับตัวสมาธิอย่าไปแปลง่ายๆว่าสงบน้ำมากง่ายเกินไปสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นเนี่ยเราจะรู้เนื้อรู้ตัวจิตใจอยู่กับเนื้นอกับตัวหลังจากนั้นเจริญปัญญาพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเจริญปัญญาเจริญปัญญาก็คือ การตามดูตามเห็นความเป็นจริงของกายของใจถ้าเราทำได้อย่างนี้เราก็จะเข้าสู่จุดที่8ไม่เนิ่นชา้าจุดที่1นเราไม่โลบมากมักน้อยที่สองสันโดษเรายินดีพอใจในสิ่งที่เรามีหมายถึงเราขยันเต็มที่แล้วเราทำได้แค่นี้เราพอใจแล้วไม่ใช่ขี้เกียจนะอันที่3ไม่คลุกคลนะีครุกคลีเท่าที่จำเป็นทุกวันนี้ครุกคลีกันเยอะไป คุยกันยังไม่พอนะชวนกนไปดูหนังไปฟังเพลงชวนไปนั่นไปนี่เสียเวลามากเลยแล้วก็ปรารบความเพีย น, นะจะเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาถ้าทำได้เจอย่างนี้นะก็จะเจอข้อที่8ไม่เนิ่นช้าะจะเร็วถ้าเราขาดข้อใดข้อหนึ่งเราก็เนิ่นช้าทาให้เต็มที่ทาให้เต็มที่ฝึกนิสัยเป็นนักต่อสู้เพื่อจะข้ามสังสารวัตให้เต็มที่ตั้งแต่วันนี้ ถ้าบุญบารมีเราพอเราก็บรรลุพระอราหันตจบกิจไปในาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้แหละถ้ายัางไม่พอนะเราก็ไปต่อในพระพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตั้งใจไปโน้นนะเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนไม่ได้แล้วก็มีจุดถัดไปมีแลนด์มาร์กถัดไปมีที่พึ่งที่อาศัยถัดไปเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายนะท่านอยากให้เราพ้นทุกข์นะเพราะท่านมี ม, มหากรุณา ไม่คิดจะถ่วงเราไว้นานๆหรอกท่านมีแต่จะเร่งเอาภาวนาได้เอาเลยเอาเลยนะอยากให้ทุกคนภาวนาภาวนาได้พ้นทุกข์ไปได้ก็ดีพ้นทุกข์ไม่ได้ท่านก็จะอุ้มกระเตงต่อไปอีกนะงั้วพวกเราอดทนนะพึ่งตัวเองให้มากที่สุดสังสารวัตน่ากลัวข้ามมันให้ได้เช่นตั้งแต่วันนี้ด้วยกันเจริญปัญญาให้มากนะมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราถึงจะข้ามได้เห็นความจริงของกายของใจแจ่มแจ้ง เราจะข้ามสังสารวัตรได้ทําไมข้ามได้เพรากายนี้ใจนี้มีแต่ทุกข์เห็นทุกข์นั่นแหละข้ามสังสารวัตรสังสารวัตน่ากลัวเพราะปิดบังความทุกข์เอาไว้จนมิดชิดนั่นแหละอ้าวเท่านี้ก็พอพอไหมไม่พอก็ไม่รู้จะเอาอะไรนะข้ามสังสารวัตรเราจะเอาอะไรอะ่ะเอามากกว่านี้ก็คือเอาสังสารวั่ะละ เวลาเราพลาดพลั้งนะเราตั้งใจเอาใหม่เอาใหม่เราไม่ไม่พลาดซ้ําอะไรเงี้ยตั้งใจอย่างนี้นะนี่แหละความน่ากลัวของสังสารวัตรดูอย่างนี้ไปสังสารวัตนี้น่ากลัวเราสรุปบทเรียนไปเรืยเวลาเราทุกเวลาเราพลาดพลั้งเวลาอะไรนะสรุปไปเรืยนี่แหละทุกนี่แหละทุกนี่แหละความน่ากลัวนะใจมันแจ้งใช้มปล่อยเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงได้ ไม่มีอะไรเสมอเหมือนพระนิพพานข้าพเจามาสการค่ะค่ะขอความเมตตาขอคำชี้แนะจาหลวงพอค่ะข้าพเจ้าขอคําชี้แนะจาหลวงพ่อค่ะเหรอจะให้ชี้เรื่องอะไรดีน้อไม่เชีเวลาเราปฏิบัติหนะ้าจิตใจเราเป็นธรรมชาติหรือว่าเราตรึงจิตเอาไว้ให้นิ่งล่ะตรึงจิตค่ะโอ้ทั้งนั้นไม่ชีก็รู้ปัญหาแล้วเนาะ <c oughs> ถ้าเราตรึงจิตให้นิ่งเนี่ย กายเคลื่อนไหวก็เคลื่อนทื่อๆใน่ไหมส่วนจิตไม่ยอมเคลื่อนไหวพอจิตไม่เคลื่อนไหวจิตก็ไม่แสดงไใจลักการปฏิบัตินั้นเราต้องเห็นไตรลักนะงั้นแม่ฉีก็รู้ปัญหาละปัญหาใหญ่ๆของนักปฏิบัติมันก็มีสด้านนะั่นแหละอันนึงจิตมันหลงตระเวนเปิดเฟิงลืมกายลืมใจอันนึงก็คือไปตรึงความรู้สึกให้นิ่งนะมันไม่เห็นไใจลักษเห็นกายเห็นใจจริงแต่ไม่เห็นไตรลักนะแม่ชีไปจัดการ ตรงนี้ถามต่ออีกทําไมแม่ฉีติดตรึงไว้อยากปฏิบัติหรือเปล่ า, าปฏิิบัตนี่มาจากอยากเห็นไหมมีความอยากเกิดขึ้นเกิดการตรึงพอตรึงแล้วแน่นไหมมีความสุขหรือทุกข์มีกิเลสคือมีความอยากมีการกระทํากรรมคือการตรึงจิตเอาไว้มีวิบากคือความทุกข์ความแน่นนะเพราะฉะนั้นที่เราเดินอยู่เนี่ยเรากําลังหมุนวัฏฏะอยู่นะ งั้นแม่ชีปล่อยการเพ่งซะเราดูกายอย่างที่เขาเป็นดูใจอย่างที่เขาเป็นเบื้องต้นถือศีลไว้นะถือศีลแปดหรือศีลสิบล่ะศีลแปดเอะเออศีลแปดก็พอแล้วเหลือเฟือแล้วนะศีลแปดก็เป็นอนาคาได้ลนะได้บางท่านศีลแปดนะท่านพอนาเก่งนะเก่งมากๆเลยก็มนะีงั้นแม่ชีถือศีลไว้อย่าไปบังคับจิตให้นิ่งเอาแค่รู้สึกตัว เห็นการทำงานของกายเห็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของใจในที่สนทก็จะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะก็จะข้ามวัตตะไปไม่งั้นเราไปตรึงไว้เียเพราะว่าอยากปฏิบัติมีอยากคือมีกิเลสเกิดการตรึงก็คือการกระทำกรรมเกิดมิบากเป็นความแน่นกิเลสกรรมมิบากนี่แหละเรียกว่าวัฏตะล่ะอาจารย์นวัตการขอวงพ่อครับดีผมปฏิบัติโดยใช้วิธีก็คือจะนั่งสมาธิ นะครับโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องยู่นะครับเสร็จแล<ช>้ว <นะ S 1> ก็พ่อเมา่ก่อนอพ่อก็ใช้ลมนะแต่ว่าถ้าลมเนี่ยบางครั้งสักพักนึงก็จะรู้สึกว่าเราหลงไปแล้วก็จะมีบริกรรมบ้างด้ดครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะเดินจงกรมนะครับเดินจงกรมก็จะให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของตัวอืนะครับก็ทําลักษณะนี้เป็นลักษณะเป็นทุกๆวันนะครับ เวลาเดินไปกินข้าวเดินไปเข้าห้องน้ําเนี่ยรู้สึกไหมรู้สึกครับเอ อ, อย่างนั้นถึงออว่าเดินจงกรมทั้งวันเลยครับก็พอเรารู้สึกตรงนี้เสร็จแล้วหลังๆเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเออผมจะรู้สึกความไวแปบแว๊บบ่อยอเช่นจิตจะไปทางนูน้นทางนี้ทํางนั้นนะครับแล้วก็จิตมันเกิดดับนะครับเห็นไหมมันเป็นเองใช่ใช่ อ, อรู้สึกว่ามันแว บ, บขึ้นมาแนละ้วบางทีก็แว บ, บไม่นานบางทีมันก็นานนานทั้งหลงทั้งหลงก็แวบ ใช่ครถ้ามีสตินะแวบแวบแวบเนี่ยถ้าหลงก็แว่ชันเย็นเลยมันเป็นอย่างงั้นจริงๆรครับมันรู้สึกบางครั้งก็แวบเดียวบางครั้งก็จะนานนะครับมั น, น, มนก็แวบเดียวเท่ากันแหละแต่มันแวบก็แต่เราจริงๆผมก็เลยไม่รู้สึกว่าจริงจริงๆตัวนี้เรารู้สึกเองหรือว่าเราไม่ ต, ต้องเห็นอะสีเนาะ น, นั่นแหละการภาวนามันถึงจะเห็นของจริงเห็นไหมทุกอย่างมันเกิดดับกระทั่งจิตมันก็เกิดดับ การที่เราเห็นของจริงนะว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับนี่แหละถ้าวันใด จ, จิตยอมรับนะเนภูมิธรรมของพระโสดาบันพระโสดาบันท่านเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดเลยดับเป็นธรรมดา<ช>นี่เราเห็นซ้<ช>ําๆตอนนี้ถ้าใครบอกว่าจิตเที่ยงคุณไม่เชื่อละ<ช>ถ้าคุณเห็นว่าจิตเกิดดับใช่เนียมันรู้สึกมันแบบแบ บ, แ บ, บมากกว่าอมันยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรมากกว่าตรงนั้นแต่รู้สึกเองก็ อไปทําต่อนะครับว่าแต่จิตต้องถึงฐานจริงๆนะถ้าจิตออกนอกไม่ดีจิตกระจายกว้างๆออกนอกไปครรู้สึกคอยรู้สึกไว้อะต่อไปมาสมการหลวงพ่อค่ะคือหนูเมื่อต้นเดือนที่มีนาเนี่ยได้ไปเข้าคอสกับกพพรอไปเข้าคอสกับกพพรอได้พบหลวงพ่อด้วยแต่หนูไม่กด้นั่นเลยได้เหะเป็นไร ไม่ใช่อะไรบางคนไปไปเรียนที่อื่นนะแล้วก็มาถามหลวงพ่อว่าที่นั้นสอนนั่นถูกไหมอะไรโอ้เราพูดได้ยังไงอะแต่หนูไม่ได้ถามอะไรหลวงพ่อไม่ได้ส่งกันบ้านเพราะตอนนั้นยงงงังงงงงแล้วก็เป็นคนแบบเพิ่งเริ่มปฏิบัติแต่ฟังหลวงพ่อมาห้าหกปีแต่ไม่ได้จริงจังคือหมายความว่าไม่ได้ปฏิบัติจริงจังพอหลังจากเข้าคอร์สของกฟผแล้วกลับไปก็พี่เลี้ยงแนะนําให้ เดินพ่อบอกว่าอายุมากแล้วเดินดีกว่านั่งก็จริงคือนั่งแล้วเดี๋ยวหนูจะหลับหรือว่าบางทีจะหลงไปก็กลับไปเดินทีนี้เดินแบบอย่างต่ํารอบละครึ่งชั่วโมงวันหนึ่งก็เดินประมาณ3มรอบแล้วก็รู้บ้างเดินไปรู้บ้าง ร, รู้การเคลื่อนไหวของกายบางทีก็หลงไปคิดแล้วบางทีก็คิดไปหลงไปก็เดินไปแต่ว่าในเวลาหลังจากที่เราเดินจงกลมแล้วเนี่ยเวลาปกติในชีวิตประจําวันก็นานๆรู้ทีอะคะ่ะ อยากให้หลวงพ่อคือถ้าเราอยากรู้บ่อยๆนะในเวลาที่ทํางานที่คิดต้องคิดเนี่ยรู้ไม่ได้แต่เวลาที่เหลือเนี่ยถ้ามันนานๆรู้ทีเนี่ยต้องช่วยมันจะบริจำไว้หรือจะพุโทโธไว้อะไรก็ได้นะให้จิตมันมีบ้านอยู่หรือรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้เพราะร่างกายเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาใช่ไหมหายใจในท้องมันก็ขยับเนี่ยคอยรู้สึกไปเรื่อยถ้าจิตมันหนีไปเรารู้ทันจิตนี้ไปรู้ทัน ถ้าจิตเรามีเครื่องอยู่เนะยเราจะเจริญสติได้ทั้งวัน ย, ยกเว้นเวลาที่หลับกับเวลาที่คิดค <นะ S 1> ขอคำแนะนำหลวงพ่อเห็นความเ<ไ> ป, ปลี่ยนแปลงหรื อ, อยังเห็นค่ะรู้ไหมว่าธรรมะอัศจรรย์เห็นค่ะนั่นะแหละภาวนามาถูกทางแล้วนะก็ไปทำให้มากๆ ก, ก็หมายความว่าทำแบบที่ทุกวันนี้ที่ทำอยู่หรอเล่าใช่ทำไปทุกวันน ะ, ะเดินก็เห็นกายมันเดินนะไม่ได้เดินเอานิ่งอะไรหรอก เดินก็เห็นกายมันเดินนั่งก็เห็นกายมันนั่งรูนะ้สึกไปได้ๆดูกายบ่อยๆก็ดีแล้วละ่ะเรารักสวยรักงามอะไรอย่างนี้ดูกายบ่อยๆดีนะแล้วถ้าจิตมันฉลบวับแวบวับแวบไปคิดนึกตรงแต่ก็รู้ทันเอาดูทั้งกายดูทั้งจิตแหละอะไรเด่นเอาอันนั้นอะต่อไปนามสการเจ้าค่ะหลวงพ่อบอกว่าโยมนี่ยังโลก นเจ้าคะแล้วก็มีตัวกูเก่งนเจ้าคะเวลาโยมปฏิบัติโยมรู้กายพอรู้ว่าตัวเองโลภเนี่ยก็จะหยุดไปทำอย่างอื่นก็คือแบบเคลื่อนไหวกันโลภรู้ว่าโลภนะแล้วก็ปฏิบัติต่อนะไม่ใช่พอรู้ว่าโลภเลยเลิกไปเลยเนะเจ้าค่ะแล้วก็ พอรู้สึกแน่นนะเจ้าคะก็จะจะหยุดไปสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่เจ้าคะ่ะเนีได้ยงงี้เปอุบายเจ้าค่ะมันมันแน่นเกินไปละน ะ, ะแก้ยากนะเริ่มต้นใหม่เลยเปลี่ยนความรู้สึกไปเลยเจ้าค่ะยังงี้ง่ายกว่าแล้วก็แบบพอพอหายก็กลับมาใหม่มก็จะทําอย่างนี้อยู่ตลอดทั้งวันไม่ทราบว่าทําลักษณะเช่นนี้หย่อนเกินไปหรือเปล่าเจ้าคะไม่หย่อนหรอกนะถ้ารู้สึกว่าย่อนไปให้รู้ทันจิตมันมีกิเลสชื่อกุกุจจ์ รู้สึกยอ่อหย่อนไปละไม่ดีไม่สบายใจรู้ลงปัจจุบันไปเลยที่ฝึกต้องฝึกอย่างนี้เลยดีแล้วล่ะแล้วก็ตัวกูเก่งนี่ไม่ค่อยเห็นเห็นแต่ว่าเราดีอนั่นแหละนั่นแหละคือ <c oughs> ดีตัวเก่งนั่นแหละไปในหมู่ที่เขาไม่ปฏิบัติ อ, อ่ะ<อ>ก็ไม่หวังสุขทําไมเขาไม่ปฏิบัติออก็อยากจะแบบเอไปแบบนั้นนั่นแหลนะ น, น, มนะมันมีเทียบเขาเทียบเรา ที่หลวงพ่อบอกให้ไปดูกูเก่งอ่ะคือไปดูมนเทียบเขาเทียบเราเจ้าค่ะเนี่ยเขาไม่พาวนาอะไรเจ้าค่ะเขาไม่ถือศีลเจ้าค่ะยุ่งอะไรกับเขาจะรู้ตรงนี้เจ้าค่ะแต่ว่าคือรู้แต่ว่าไม่ไม่ได้ไปอะไรกับเขาแต่จะรู้จะรู้สึกตัวมันจะชอบคอยเทียบเจ้าค่ะอนั่นแหละเรียกว่าตัวมานะแล้วมันยังเป็นอยู่นะเจ้าค่ะมันไม่หายเจ้าค่ะคนที่ทำลายได้คือพระละหันเจ้าค่ะ เพราะงั้นเรามีอยู่เรารู้แค่นี้พอแล้วล่ะแค่ น, นี้ก็วิเศษแล้วเจ้าค่ะแล้วก็แยกเวทนานะเจ้าคะ่ะก็เมื่อก่อนเนี้ยไปนวดแผนไทยจะแบบเจ็บอยู่ตรงจุดหนึ่งที่เจ็บมากๆก็แยกว่านี่คือกายนี่คือเวทนานี่คือจิตไม่ทราบว่าไอ้ที่แยกเนะี่ยแยกได้จริงหรือว่ามันชาชินเพราะว่าตอนเนี้ยไม่ค่อยเจ็บแล้วอืมันทนออกมันทนเหรอเจ้าค่ะชักทนได้มันมันยังแยกไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ คือแยกได้เนี่ยหมายถึงว่ามันเห็นเลยไอ้ที่เจ็บนะไม่ใช่กายไม่ใช่จิตอนี้ถึงเรียกว่าแยกได้เห็นไหมว่าเวทนาไม่ใช่กายเวทนาไม่ใช่จิตถ้าเห็นนั้นก็เรียกว่าแยกอยู่แล้วเค่ ะ, <น>ะหลวงพ่อมีอะไรชี้แนะโยมบ้างเจ้าค่ะไปทําให้สม่ําเสมอนะทำไปเรื่อๆๆยๆแหละจิตใจมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างช่วงนี้<ก>มีความสุขขึ้นไหมมีความสุขขึ้นค่ะไม่งั้นเราภาวนาแบบเคร่งเครียดไป ภาวนาต้องมาใจมันจะมีความสุขหล่อเลี้ยงเป็นช่วงช่วงไปเจ้าค่ะยิ่งเห็นทุกข์ยิ่งมีความสุขมีทั้งทุกข์และมีทั้งสุขเจ้าค่ะนั่นแหละยิ่งเห็นทุกข์ยิ่งมีความสุขนะขเห็นทุกข์แจ่มแจ้งก็ถึงสุขอันมหาศาลเลยที่ปฏิบัติอยู่นี่ถูกตามแนวทางแล้วนะเจ้าค่ะถูกสิถูกแต่ถึงเวลาก็ทําความสงบเข้ามาบ้างนะมินั้นนานไปมันจะฟุเจ้าค่ะสมถะเร<อ>าก็ทําบ้างทําสมถะนี้โยมจะไม่ค่อยนิ่งเจ้าค่ะ เพราะว่าจิตจะฟุง้งจะใช้วิธีการสวดอิติปิโส<ด>เป็นหลัก้ค่ะสวดมไปเรื่อยๆนะคิดถึงพระพุทธเจ้าอะไรนะจิตก็สงบได้บางครั้งก็มองหน้าหลวงพ่อที่เป็นรูปอยู่ในห้องพระเนี่ยเจ้าค่ะแล้วก็จิตก็จะสงบเจ้าค่ะโอ้คนนี้แปลกบางคนนะเอารูปหลวงพ่อไปติดไว้ทั่วบ้านเลยหวังว่าจะเจริญสตินะเดินที่นี้ ท่นคะยอมไม่เจ้าค่ะเห็นหน้าหลวงพ่อยิ้มยิ้มยมสงบเจ้าค่ะแล้วก็มีความสุขด้วยเจ้าค่ะอย่างนั้นใช่ได้ถ้ามีความสุขก็ได้สมาธิกราบนวสการเจ้าค่ะมีน่าเลยขนรูปมาถวายหลวงพ่อเวลาอัดไมอัดเองนะติดไว้รอบบ้านแล้วผวาขึ้นมาก็าบนาวสุการหลวงพ่อคือหนูก็เนเป็นเด็กใหม่ค่ะก็ ก็ได้แนะนำจากกลุ่มเพื่อนที่มาปฏิบัติบ่อยๆค่ะก็ก็ฟังเขาแต่ไม่ปฏิบัติบ่อยมากค่ะคืออะไรนะไม่ได้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติอาจจะไม่ค่อยปฏิบัติเลยจะปฏิบัติก็แค่ที่ครูก็บอกว่าให้รู้ตัวตลอดให้รู้ว่าตอนนี้อะไรอย่างไงค่ะแล้วเม่วนก่อนเม่วนก่อนหนูก็รู้สึกโกรธคราวนี้ ก็เลยลองลองพิจารณาดูแบบประมาณว่าเออตอนนี้โกรธอยู่แล้วคือเท่าที่หนูเข้าใจคือพอรู้ตัวเราจะสักพักจะเริ่มหายโกรธใช่ไหมคะแต่หนูไม่หายหรือไงไม่เชิงไม่หายค่ะแต่เหมือนหนูปล่อยหนูปล่อยเลยอย่าไปปล่อยมันสิอย่าไปปล่อ ย, <เล> ย, อ ย, อยตามยะถากรรมนะเริ่มต้นหนูเอาอย่างนี้นะ หนูครรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆใจเราอยากอะไรขึ้นมาก็รู้ใจเราหงุดหงิดอะไรก็รู้นะใจเราสุขก็รู้ใจเราทุกก็รู้ใครยรู้บ่อยๆนะแต่หนูบางทีหนูก็คิดว่าบางทีที่หนูดูไปเหมือนกับการเป็นว่าหนูเพ่งเออเนะาให้รู้สบายๆนะอย่าไปเพ่งถ้าเพ่งแล้วใจมันจะแน่นๆถ้าแน่นแสดงว่าไม่ใช่ละแต่เหมืนที่หลวงพ่อบอกค่ะทําทแล้วก็ จะรู้สึกดีขึ้นแต่หนูว่าเหมือนกับเป็นการว่าทำให้หนูต้องเวลาปฏิบัติหน้าหนูอย่าหม้มุ่นมากนะไม่งั้นเดี๋ยวมันเครียดชีวิตในโลกนี้เครียดเยอะอยู่แล้วเราอย่ามาเพิ่มความเครียดเพราะการปฏิบัติเราปฏิบัติไปสบายๆใจเรามีความสุขเรารู้ทันใจเรามีความทุกข์เรารู้ทันไม่ต้องอยากให้หายด้วยมันทุกข์ขึ้นมานะ ก็เห็นว่ามันทุกข์หรือมันโกรธขึ้นมาก็รู้ว่ามันโกรธไม่ต้องอยากให้หายหรอกเวลาความโกรธเกิดขึ้นหนูดูว่าดูไปเรื่อยนะดูซิเธอจะโกรธได้นานสักแค่ไหนทําใจแบบนี้ดูซิเธอจะโกรธได้นานสักแค่ไหนคอยดูอย่างเนี้นะแล้วที่หนูทําถูกไ้ยคะแบบแต่ที่หนูทําก็ดีแล้วล่ะต้องทาไปอีกเหมือนเพ่งยังไงก็เหมือนแห้งนะสิ ใหม่ๆนะมันก็ต้องเพ่งไว้ก่อนนะเพราะว่าเรารู้ตัวยังไม่เป็นเราเคยแต่ชินแต่หลงใจเรามีแต่หลงไปวันๆนะหลงไปเรื่อยๆเราไม่เคยชินที่จะรู้สึกตัวตรงที่พยายามจะรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยถึงยังไงก็เพง่งครูบาอาจารย์เลยสอนบอกเบื้องต้นเนี่ยตึงไว้หน่อยดีกว่าหวังว่าจะทําให้พอดีนะมันจะหย่อนเกินไปนั้นการที่หนูเพง่งไว้เริ่มต้นหนูเพ่งไว้หน่อยๆเนี่ย ก็ถูกแล้วไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าค่อยๆดูค่อยๆรู้ไปนะรู้สบายๆถ้าเราอยากรู้ชัดเราอยากรู้ตลอดเวลาเราจะเพ่งแรงถ้าเราดูเล่นๆ เ, เราัะไม่เพ่งมากหรอกไปดูเล่นๆบ้างไปนภาสการเจ้าค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลูกได้เคยไปนั่งปฏิบัติธรรมนะคะที่วัดแห่งหนึ่งแล้วเนาเอา น, อน้อมจิตมาดูกายแล้วเห็นจิตตัวหนึ่งมันไปนยึดยึด ลูกที่เป็นของเราอะค่ ะ, ะแล้วมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมามมแต่ณขณะนั้นเห็นความทุกข์ไม่ทันเจ้าค่ะ ม, มันก็เลยหลงไปกับความทุกข์แล้วเศร้าไปเลยเออน่าอารมณ์มันครอบงําจิตเหมืออย่างนี้ถ้าเห็นอีกเนี้ยลูกต้องทํำยังไงบ้างคะเห็นแล้วจิตเกิดเศร้ารู้ว่าจิตเศร้าใช่หลักนี้นะว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ทันจิตไว้ะเพราะฉะนัะ้นเห็นจิตเป็นอย่างโน้นจิตเป็นนี้เห็นกายเป็นทุกข์เห็นกายไม่ใช่เรา จิตสลดสังเวชรู้ว่าสลดสังเวชจิตกลัวรู้วกลัวจิตเศร้ารู้ว่าเศร้ารู้เข้ามาที่จิตถ้าไม่รู้ทันนี่ยความรู้สึกนั้นจะครอบงําจิตสมาธิจะเสียไปเลยค่ะหลุดออกไปเลยหลุดได้นอนแล้วทำต่อไม่ได้ทำไม่ได้อะนะต้องมาเริ่มใหม่ค่ะกว่าจะเริ่มใหม่ก็ใช้ระยะเวลานิดนึงมันใช้เคล็ดลับง่ายๆนะรู้สบายๆรู้ไปเรื่อยๆรู้บ่อยๆรู้สบายๆอย่าไปรู้แบบเอาเป็นเอาตายนะ ถ้ารู้แบบเอาเป็นเอาตายไม่ได้กินหรอกแตลกใจที่ว่าเราพยายามดูกายอยู่แล้วทําไมจิตมันถึงหลุดไปไปเห็นจิตใช่ไหมไม่แปลกอะไรครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อองคหนึ่งนะคือหลวงปู่สุวั์ท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านไปเรียนยกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิต ด, ดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําความสงบทําสมถะดูกายเพื่อให้เห็นจิต ดูจิตนะเพื่อให้แจ่มแจ้งเห็นความจริงที่แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปอีกงั้นการที่ดูกายถ้าดูถูกต้องจิตมันเป็นคนดูอยู่แล้วแต่ถ้าจิตไปเพ่งกายเนะี่ยมันจะไม่แก้ออกมามันจะไม่มีให้ดูงั้นถ้าเราดูกายเป็นนะมันจะเห็นจิตที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้เนี้ยนะว่าดูกายได้มันก็จะเห็นจิตดูจิตได้มันก็เห็นกายเหมือนเหรียญ น, นันเดียวกันหัวก้อยกายกับจิตไปด้วยกัน ไปทต่อไปอแต่ปัญหาของหนูอยู่ตรงนี้หนูอยากเห็นอีกใช่ค่ะเออถ้าตราบใดที่ความอยา ก, ย, ากยังอยู่สติไม่เกิดสมาธิไม่มีไม่เห็นหรอกต้องเอาความอยากหายไปใช่แค่เห็นว่ามีไม่อยากใช่ค่ะจริงหนูเป็นนักคิดน ะ, ะถ้าจริยนิสัยเราเป็นนักคิดเนะี่ยดูอะไรก็ตามมาเดี๋ยวมันก็เข้ามาที่จิตอย่างนี้แสดงว่าหนูต้องนั่งสมาธิแล้วพยายามดูจิตหรือเปล่าคะ อย่าพยายามสิถ้าพยายามเมื่อไหร่ก็คือโลภให้รู้ว่ากําลังโลภอยู่นั่นแหละเห็นจิตเรียบร้อยแล้วจิตโลภแต่การที่หนูรู้ทันนะอย่างจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตนี้ไปคิดรู้นั่งสมาธิไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันได้จิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาพอได้จิตที่เป็นผู้รู้แล้วถ้าสติเห็นกายจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราเห็นจิตมันจะเห็นจิตทํางานได้เองจิตไม่ใช่เราก็เดินปัญญาต่อ นะถ้าฝึกมาทางที่จะทำความสงบก่อนนะก็ฝึกให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้บ่อยๆวิธีฝึกให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ก็ฝึกไปหายใจไปพุโทโธไปอะไรก็ได้ให้จิตหนีไปคิดเรารู้ทันนะไม่ใช่หายใจแล้วก็น้อมจิตไปอยู่กับลมอันะนั้นเป็นสมถะเฉยๆแต่ถ้าหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลเข้าไปที่ลมหายใจรู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจะได้ตัวรู้ขึ้นมา ไม่ได้ตัวรู้แล้วเนี่ยถึงจะเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์แยกรูปแยกนามไปได้มีคําถามมีคําถามหนึ่งนะคะคือว่าหลังจากที่ไปวัดมาแล้วเนี่ยจิตมันจะสงบมากเลยอืแล้วมันเหมือนกับว่าเราเป็นสุขที่ว่ามันไม่มีอะไรมากระทบแล้วทําให้เรามันใจเรามันจะจะไม่สะเทือนนะคะอืมเราก็เลยเพอออกจากวัดมาพยายามที่จะเหมือนกับสร้างกําแพงกั้นไว้ไม่ให้อายเรีมันมากระทบ ทราบว่ามันไม่ถูกแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วจิตมันจะสงบอะคะ่ะสงบกะสิแล้วเราจะไปพรมโลก <c oughs> เราก็เลือกเอานะถ้าเราต้องการชีวิตนี้เราต้องการแค่สงบเราก็ทำอย่างนี้เลยถ้าเราต้องการสิ่งที่เหนือกว่านี้เราก็จเจริญปัญญาอย่างสมัยหลวงปู่มั่นนะอ่านประวัติหลวงปู่มันนะ่นอ่ะมีลูกสิท่านเป็นมาเเเรียขึ้นสมองหรืออะไรเงี้ยท่านเจ็บมากนะท่านก็หลบเข้าสมาธิเลย พอออกจากสมาธิมาเพราะว่าหลวงปู่ ม, มั่นมาเฝ้าอยู่แล้วท่านถามท่านบอกเราไม่ได้สอนให้ทำแบบลือสีนะให้พิจารณาธาตุขันให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภยัยจิตถึงจะออกจากวัตตะแต่ถ้าหนีไปอยู่ในความสงบความว่างความสบายก็จะติดอยู่ตรงนี้เรื่อยๆนะก็แล้วแต่เรานะถ้าเราคิดว่าเราจะไปเร็วหน่อยเราก็ขยันดูกายดูใจ ถ้คิดว่าเราต้องการแค่พักผ่อนเพื่อให้มีแรงอยู่กับโลกลก็ทำอย่างนี้ก็ใช้ได้อย่างไปพอมีอะไรมาเสียงมากระทบเนี่ยเราจะรู้ว่าเราต้องเกิดโทสะทันทีเราก็จะกำหนดว่ายินหนอยินหนอยินหนอจนมันผ่านหูไปเลยะคะ่ะน่ า, าทาสมถะสมถะเนี่ยทำไปเพื่อแก้ไขดัดแปลงนะหรือเพื่อรักษาของไม่ดี ก็ไม่ให้เกิดเกิดแล้วให้หายไปอย่างราคะเกิดเนี่ยทำสมถะพิจารณาสุภะหายไปโทสะเกิดเจริญเมตตาหายไปหรือทําเพื่อรักษาจิตสงบแล้วก็พยายามรักษาเรื่อยไปมิปัสนาทำเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจของธาตุของขันว่าเป็นไตรลักษณ์ควรลังงานกันนะเพราะฉั้นเราทำความสงบ พ, พอสมควรแล้วมาเจริญปัญญาเราจะได้ต่อไปไม่เนิ่นช้า เรามีกำลังพอนะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขนาดนี้มีสติปัญญามีบุญพอนะทำวิปัสสนาบ้างนะเพื่อเราจะได้ของใหญ่ขอพระคุณเจ้าค่ะครับคือผมมีความสับสนในคำสอนของหลวงพ่อนะครับแต่ว่าฟังเมื่อกี้เหมือนจะเข้าใจเล็กน้อยนะครับ ยังไงเดี๋ยวผมขอถามอีกทีให้มันยืนยันไปเลยเ<อ> ค, รครับก็คือว่าปกติทุกวันเนี่ยที่ผมปฏิบัตินะครับก็คือว่าเวลาอะไรมันเกิดขึ้นในใจเปลี่ยนแปลงอะไรผมก็จะรู้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมยังสับสนอยู่ว่าทำยังไงมันถึงจะแยกมาเป็นขันขัน ข, นขันอย่างนี้ได้นะครับทำยังไงจะแยกได้เหรอครับอ๋อก็ซ้อมแยกสิ ไม่ใช่คือบอกเวลาผมปฏิบัติอย่างนี้ผมก็คือแค่รู้ไปเรื่อยๆแล้วพอถึงเวลามันปัญญามันจะแยกให้เองหรือผมต้องทาอะไรเรพิ่มเติมถ้าจะแยกให้ง่าย <ๆ S 1> ให้เร็วน ะ, ะเราต้องมาฝึกจิตก่อนก่อนที่การแยกขันเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเป็นการเจริญปัญญาขั้นที่หนึ่งเลยแยกขันนี่ก่อนที่จะถึงการแยกขันเนี่ยมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องเสียก่อน วิธีฝึกจิตก็คือหัดพุโทโธไปหัดหายใจไปก็ได้อะไรสักอย่างหนึ่งดูท้องพองยุบก็ยังได้เลยแล้วก็รู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปเช่นจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องรู้ทันการที่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปนั้นจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วนะนั่งอยู่นี่คอยดูไปเราดูร่างกาย แต่เดิมเรารู้ลมหายใจนะจิตเคลื่อนไปที่ลมเรารู้คราวนี้เราไม่ได้ดูลมหายใจเราเห็นร่างกายทั้งร่างกายเลยถ้าจิตเคลื่อนไปที่ร่างกายเราก็รู้ทันนะพอรู้ทันเนี้ยจิตกับกายก็จะแยกออกจากกันเลยมันจะเห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนั่งไปเรื่อยๆค ว, ว ja, ความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นเราจะเห็นเลยแต่เดิมมันไม่ปวดไม่เมื่อยความปวดความเมื่อยมาทีหลังเพราะความปวดความเมื่อยนี่ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตนี่เราก็แยกได้เยอะขึ้นพอมันเมื่อยมากๆนะจิตมันทุรนทุรายเราก็เห็นเ่ย ความทุรนทุรายคือสังขารสังขารขันแต่เดิมร่างกายมันปวดมันปวดอยู่ที่กายใช่ไหมความทุรนทุรายมาอยู่ที่จิตนีน่ความปวดกับความทุรนทุรายของจิตเนี่ยคนละอันกัน น, นี่ค่อยๆหัดแยกไปแล้วมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความทุรนทุรายเนี่ยแล้วมันก็ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความเจ็บปวดด้วยหัดแยกบ่อยๆนะเนี่ยมันก็แยกชำนาญแต่ว่าถ้ามันรู้สึกอย่างนี้เยอะไปก็ไม่เป็นไรเอาแยกน้อยๆ เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึกแค่นี้ก็พอแล้ะถ้าเราไม่ได้คิดว่าจะเรียนเป็นเป็นอาจารย์กรรมฐานนะที่หลวงพ่อบอกว่ากายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอะครับปอตีผมไม่ค่อยดูกายอะครับแล้วมันดูอะไรมันเห็นกิเลสไหมก็ดูพวกอยู่ในใจทั้งหลายได้เห็นไหมสิ่งที่อยู่ในใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้ความโกรธเป็นสิ่งที่ถูกรู้ ต่อไปความโกรธเกิดขึ้นน่สอนมาเลยว่าความโกรธนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความโกรธหายไปอ้จิตรู้แล้วว่าความโกรธหายไปความโลภเกิดขึ้นก็รู้ไปอความโลภนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าคิดนำก่อนก็ได้นะเมื้อต้นคิดนำก่อนก็ได้อย่างนั้นก็เรียกว่าแยกขันเหมือนกัน ความสุขเกิดขึ้นในใจรู้ทันใช่ไหมความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความทุกข์เกิดขึ้นในใจรู้ทันความทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกนะซ้อนมันไปอย่างนี้เรื่อยนะไม่นานก็เป็นหรอกอย่างนี้ก็เรียกว่าแยกขัดเหมือนกันไม่ต้องกายกับใจก็ได้แยกเข้าไปที่ความรู้สึกเลยแล้วที่หลวงพ่อบอกว่าความสุขเกิดขึ้นจิตไปรู้เข้าเนี่ยไอ้ตัวที่จิตไปรู้นี่คือปัญ ญ, ญาณใช่ไหมครับใช่ งั้นก็สุดท้ายหลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อแนะนําเพิ่มเติม เ, มเยอะๆเลยครับภาวนานะอย่าคิดมากนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุโทโธไปหายใจไปอะไรเนี่ยแล้วจิตมันหนีไปคิดรู้ทันจิตมันสุกรู้ทันจิตมันทุกรู้ทันรู้เล่นๆรู้สบายๆนะแต่ให้จิตมีบ้านอยู่มีกรรมฐานอยู่สักอย่างหนึ่งแล้วก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกนึกคิดภายในไปเรื่อยดูดูเล่นๆบปนะจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่จิตหรอก เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาแล้วดูไปต่อไปต่อไปเห็นนะกระทั่งจิตเองก็เกิดดับวิญญาณนั่นแหละเกิดดับทางตะวันทั้งหกนะต่อไปเดี๋ยวก่อนครับแล้วที่ผมทำมาที่ถูกหรือยังครับก็ดีนะดีแะแต่คิดมากไปหน่อยครับคกนรับขยันคิดเยอแต่ใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้นะหลวงพ่อแต่ก่อนก็คิดเก่งเหมือนกันฝึกเจริญสติกับหลวงพ่อมาประมาณสี่ปีค่ะ ช่วงปีสุดท้ายนี่ไม่ได้ส่งการบ้านเลยค่ะก็แยกกายกับจิตออกมาได้ะคะ่ะแล้วก็เห็นจิตที่เขาหลงไปคิดค่ะได้ เ, เรียนถามท่านอาจารย์สุรวัตรว่าจะยังไงต่อไปท่านก็กรุณาแนะนำว่าให้แยกเวทนาค่ะก็เห็นว่าความเจ็บปวดทางร่างกายบางครั้งก็มันก็เป็นตัวเราบางครั้งก็ไม่เป็นนะคะ แต่ว่าความสุขความทุกข์ในใจเนี่ยแยกไม่ค่อยเก่งอะค่ะดูแค่นี้นะว่าความสุขมาแล้วความสุขก็ไปความทุกข์มาแล้วความทุกข์ก็ไปจิตเราเป็นแค่คนดูอยู่แค่นี้ก็แยกแล้วเห็นไหมความสุขความทุกข์กับจิตเป็นคนละนกันยังไม่ค่อยเห็นค่ะต่อไปเวลามีความสุขเกิดขึ้นก็นั่งดูมันไปนะใจเราเป็นคนดูความสุขหายไปใจเราก็ยังเป็นคนดูอยู่ค่ะต่อไปก็จะรู้เลยความสุขไม่ใช่เราหรอก เป็นสิ่งที่แปลบปลอมเข้ามาชั่วคราวแล้วคือหลวงพ่อเคยหลวงพ่อได้กรุณาแนะนำว่าให้ทำเหมือนว่าอย่างเต็มที่ะคะแต่ก็รู้สึกว่ายังทำไม่ค่อยเต็มที่ลูกควรจะเพิ่มการปฏิบัติในรูปแบบให้มากขึ้นปฏิบัติในรูปแบบอยู่ไหม ปฏิบัติอยู่แต่ก็รู้สึกว่ามันมันน้อยนะคะท่านน้อยก็เพิ่มขึ้นนะแต่สิ่งที่สําคัญกว่ามากนะคือสม่ําเสมอนะต้องทําให้สม่ําเสมออย่างเช่นแต่ละวันเรานั่งสมาธิยี่สิบนาทีอะไรเงี้ยก็ทําให้สม่ําเสมอนะอย่างน้อยก็ยี่สิบมากกว่านั้นก็กำไรอะไรเงี้ยถ้าทําบ้างหยุดบ้างไม่ดีสม่ําเสมอสําคัญมากเลยจิตจะมีพลัง ก็คือถ้าได้ทั้งเช้ากลางวันเย็นอย่างนี้ยี่สิบ น, นาทีก็ดีใช่ไหมมีเวลาก็ดีหลวงพ่อทําอย่างนั้นนะหลวงพ่อตื่นนอนมาหลวงพ่อก็ปฏิบัติตอนเป็นโยมะกลางวันกินข้าวกลางวันแล้วก็ปฏิบัติไปเดินเดินไปเมื่อก่อนทํางานอยู่ในธรรเนียบหากินข้าวกลางวันเสร็จนะเดินไปวัดเบญจาบ้างเดินไปวัดโสมบ้างพอไปถึงก็เดินกลับหมดเวลาพอดีแล้วคนเขาไม่รู้ว่าเราเดินทําไมเราเดินจงกรม ถ้าเราสามารถจะเพิ่มมากจาก20นาทีได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถ้าเรามีเวลาใช่กำไรนะแต่เราต้องมีตัวมาตรฐานขั้นต่ำไว้นะขั้นต่ำนียเป็นตายต้องทำให้ได้อย่าตั้งให้เยอะเกินเดี๋ยวใจฝ่อถ้รามันจะเพิ่มเองค่ะก็แล้วตัวสำคัญนะจิตต้องตั้งมัน่นจิตต้องอยู่กับเนื้อกับตัวนะถ้าจิตโล่งว่างสบายอยู่ข้างนอกมี ใจออกนอกแล้วมีแต่ความสุขไม่ดีนะหายใจหายใจแล้วเอาความรู้สึกเนี่ยตามลมหายใจเข้าไปในร่างกายของเราเองเอออยากเข้ามากเอาพอดีพอดีอดนะของลูกนี่ไปโล่งว่างอยู่ไหมคะหลวงพ่อใช่นะออกข้างนอกอ๋อค่นะแลเพราะฉะั้นเราหายใจนะเราจับความรู้สึกอะตามลมหายใจเข้ามากลับเข้ามาในตัวเราเนี่ยนะแต่อย่าแรงเกินไปนะ อย่างนี้มันจะมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้ไม่ได้นะเอานิดนิ ด, นดหน่อยหนอยพอให้ใจมันกลับเข้าตัวแม่ใจออกนอกตัวไม่ดีแต่<า>ออกนอกตัวจะมีแต่ความสุขใช่สิ <laughs> <laughs> ก็นั่งยิ้มหวานตลอดเวลา <laughs> ต่อไปขอบพระคุณนะจิตต้องถึงฐานนะของหนูปัญหาอยู่ที่จิตมันไม่เข้าบ้านครับนมะบักการหลวงพ่อค่ะเออปฏิบัติ สมาธิอยู่นะคะแล้วก็จิตก็สงบกับสมาธิบ้างบางทีก็เป็นแบบแช่<ม>บางทีก็สงบธรรมดาอะไรเงี้ยนะคะแล้วฟังซีดีของหลวงพ่อมาเนี่ยนะคะก็คิดว่ามือมันดีนะมันมันมีปัญญาของเราอยู่สงบนี่มันไม่มีปัญญาเลยมันไม่ว่างไวเลย ม, นนมันเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>ก็รู้สึกว่ า, เ, าเราควรจะเปลี่ยนวิธีทําได้แล้วนะคะ ก็ลองพยายามจะเปลี่ยนพอพยายามจะเปลี่ยนมันก็ฟุ้งกระจายค่ะธรรมด า, ะานะมันเคยสงบมานานพอไม่ควบคุมไว้นะมันจะฟุ้งมากกว่าคนปกติกค่ะมันฟุ้งรุนแรงด้วยรุนแรงใช่แล้วอารมณ์ก็รุนแรงน ะ, ะโลภรุนแรงโกรธรุนแรงมันจะแรงกว่าปกติแต่เบื้องต้นก็ต้องอย่างนั้นน่ะทนเอาทนเอาเหรอคะถือศีลไว้ก่อนอารมณ์รุนแรงก็ไม่ทําผิดศีลตั้งใจอย่างนั้นนะ แต่อย่าไปกดไว้ถ้ากดไว้แล้วกดไปจนแก่เนี่ยพอหลุดออกมายิ่งแรงกว่าเก่าอีกไม่ให้กดอารมณ์ไว้นะคะให้ดนะูให้ดูจิตใ ห, ให้รู้อย่างที่เขาเป็นมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเ อ, อขณะนั่งรถโดยสารอยู่นะคะร่างกายก็อ่อนเพลียวันนั้นอ่านหนังสือหลวงพ่อแล้วก็ทั้งวันอ่านแล้วก็จิตใจเบิกบานสงบแจ่มใสแต่พอตอนกลับบ้านนี่เหนื่อยมากรู้สึกร่างกายเหนื่อยมันก็อ่อนเพลียจิตมันรู้สึกว่ามันมีอะไร เหมือนตัวใข้างไหนมันดูว่าร่างกายอ่อนเพียนะนั่นแหละมีตัวรู้แหละมีร่างกายอ่อนเพียนะมันรู้สึกจิตข้างในมันว่องไวค่ะว่องไวแล้วมันก็มีแบบมันมันดีกว่าสงบที่เราเคยเป็นอ่ะใช่อย่างนั้นแหละมันเดินปัญญาแล้วมันก็เห็นด้วยว่าเออตอนเนี้ยกําลังคิดอะไรอยู่เรื่องมันก็เปลี่ยนไปละเปลี่ยนไปคิดอันอีกอันนึ่งละเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอีกละนั่นแหละรู้ทันเลยจิตกำลังฟุ้งซ่านอนะรู้ไป ให้รู้ไปอันนั้นคือตัวนั้นคือดูจิตใช่ไหมคะใช่ให้ดูจิตไม่ใช่ไปดูให้จิตนิ่งค่ะนะถ้าดูให้จิตนิ่งเป็นสมถะถ้าดูเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตถึงจะเป็นการเจริญปัญญาจะดูยังไงให้เป็นไตรลักษณ์ยังไงก็ดูมันเป็นอยู่แล้วถ้าเราไม่ไปบังคับให้นิ่งนะจิตจะเคลื่อนไหวยิ่งกว่าลิงอีกมันพอพยายามจะไปดูแวบหนึ่งนะมันก็เหมือนกับไปบังคับเลยให้นั้นโลภโลภเลยเออมันโลภ ใช้ชีวิตธรรมดาอย่างนี้นะตาหูจมูกลิ้นกระทบอารมณ์ความรู้สึกมันเปลี่ยนก็รู้ทันว่ามันเปลี่ยนไปแล้วลุงพ่อมีอะไรจะแนะนําเพิ่มเติมได้แล้วไงในตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบอารมณ์นะไม่ใช่ให้ไปปรกคองให้นิ่งๆค่ะไม่งั้นจะร้ายนะคะยิ่งแก่ยิ่งร้ายคขอพระคุณค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ ช่วงนี้สวดมนต์ทุกวันเจ้าค่ะแล้วก็ดูอนิจจังความสุกระหว่างวันก็เห็นกิเลสละเอียดมากขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็เห็นอะไรชั่วคราวมากขึ้นแล้วก็เห็นอนัตตาของจิตว่าเราบังคับเขาไม่ได้เวลาฟุ้งซ่านเวลาอยากหรือเวลามีโทสะเจ้าค่ะนี่ระหว่างวันก็ดูกายดูเวทนาแล้วก็ บางทีก็มาเห็นจิตเองแต่ว่ามีมีคำถามคือว่าบางทีเวลาเราเห็นจิตทื่อเนี่ยเราจะไม่ชอบเวลาเห็นจิตทื่อๆค่ะเจ้าค่ะเราพอไม่ชอบพอไม่ชอบเนี่ยบางครั้งก็ยอมรับก็เบาขึ้นแต่พอไม่ชอบบางครั้งก็ ก็คืออยากจะมีความสุขก็ไปคิดถึงคำคำสอนของหลวงพ่อแล้วก็ดูอนิจจังความสุขไปอะคะ่ะอย่างไหนจะดีกว่าการเขาว่าระหว่างระหว่างการยอมรับไปกับระหว่างที่เปลี่ยนไปคิดถึงคําสอนหลวงพ่อแล้วมาดูอนิจจังความสุขอะคะ่ะคือถ้าเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง เ, เห็นไตร ล, ลักษณ์ได้นะก็เห็นไปเลยนะยยเว้นแต่มันไม่ไหวจริงถึงจะหนีเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าสู้ได้ก็สู้ไปเลย ก็คือยอมรับความทื่อไปดีกว่าใช่ไหมเจ้าค่ะจิตทื่อรู้ว่าทื่อจิต <c oughs> ไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบห <c oughs> นึ่งนะ <c oughs> แต่ถ้ามันทื่อมากเลยนะทื่อมาต้องเป็นสองสามชั่วโมงยังทื่อยังเปลี่ยนอารมณ์เลยเจ้าค่ะคล้ายๆหมากตานี้เล่นยากแล้วล้มกระดานเริ่มต้นเอาใหม่แต่ว่าอย่าล้มประจํานะดูปุ๊บอ่ล้มอปุ๊บล้มไม่มีใครเขาเล่นเดีกยวเราหรอก ทีนี้พักหลังๆเนี่ยมาดูอนิจจังความสุขโดยการฟังเพลงอะค่ะก็คือเห็นเลยว่าเพลงที่สนุกเนี่ยสนุกแวบเดียวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็เปลี่ยนอารมณ์ไปหมดแล้วอทีนี้ก็ใช้อย่างนี้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะเป็นอุบายเป็นอุบายเพื่อหัดดูนะค่ะพอดูเป็นแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปเปิดเพลงฟังอะไรหรอกหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนแลตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนแลแต่ตอนอหัดนะก็อาจจะมีสมัยก่อน เช่นใช้สไลด์รูปดอกไม้รู้ไหมความรู้สึกเป็นยังไงใช้รูปหมาขี้เลื้อนความรู้สึกเป็นยังไงอะนั้นเป็นการซ้อมดูแต่พอดูไปแล้วอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละดูเอาเองนะจะไปซ้อมตลอดเวลาก็ไม่ไหวนะเจ้าค่ะก็ควรควรระวังหรือเพิ่มเติมอะไรไหมเจ้าค่ะก็ภาวนาไปเรื่อยๆน่อย่าอย่าใจร้อนก็แล้วกันเจ้าค่ะอย่ารีบบรรลุเร็วๆเจ้าค่ะ การ ม, มาสการครับหลวงพ่ อ, อครับก็ส่งกันบ้านครับเขาที่เราส่งกันบ้านหลวงพ่อให้ไปแยกแยกแยกแยๆครับแล้วก็ตอนนี้ก็แยกตามแล้วก็เห็นว่ามีคนรู้อยู่ตัวหนึ่งครับใช่ใช่แล้วก็ดูร่างกายทำงานทั้งวันเนี่ยครับแล้วก็เวลาใจหนีไปคิดก็รู้ครับสูกแล้วนี่นดีแล้วนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่า ย้อนย่อไปหรือเปล่าครับแบบไม่ย้อนย่อหรอฝึกไปบ่อยๆจนมันชํานาญนะมัเห็นว่าขันห้ามันมันต่างคนต่างทํางานร่างกายก็ทํางานตามหน้าที่ของร่างกายความสุขทุกข์ก็ทํางานตามหน้าที่ของความสุขทุกข์กุศลกอกุศลก็ทํางานของมันจิตมันก็ทํางานของมันดูไปเจอเห็นมันทํางานของมันเองเลแต่มันดีมันก็ชอบเข้าไปจับอารมณ์เนี่ยมันแทรกแซงใช่ไหมจิตมันไปตะครุบอารมณ์มันไม่แค่ยอมรู้เฉย มันเข้าไปจับอารมณ์บางทีมันก็เข้าไปแทรกแซงนะเช่นร่างกายมันเมื่อยนะไม่ชอบเนี่ยอยากแทรกแซงร่างกายเหนื่อยอยากจะหายร่างกายเป็นอย่างนั้นอยากอย่างนั้นอย่างนี้มีความอยากเกิดขึ้นความอยากเกิดขึ้นเนีจิตจะเข้าไปแทรกแซงความสุขเกิดขึ้นอยากให้อยู่นานๆนี่ก็แทรกแซงจะเกิดการแทรกแซงขึ้นแล้วหลวงพ่อเขบอกว่าฟุ้งซ่านครับฟุ้งเก่งครับดีขึ้นแล้วล่ะก็ดีขึ้นครับ รู้สึกบ้างไหมล่ะก็รู้สึกครับว่ามันก็แป๊บแป๊ป่อยครับบ่อยๆยิ่งดีแล้วก็กิเลสก็เยอะกิเลสคิดแต่อกุสนักเยอะนั่นแหละแสดงว่าพา r n าเป็นละแต่เดิมด้วยว่าเราวิเศษเลยนะดีนะเพราะยิ่งพา r n านั้นมีแต่กิเลสแล้วเห็นไหมกิเลสเน้นนะเป็นกองทัพเลยก็รู้สึกว่าตัวเราเลวๆมากนั่แหละกองทัพพยามันก็ปล่อยปล่อยมันไปครับดูไปอย่างนี้แต่ไม่ตามใจมัน ดูมันไปอย่างที่มันเป็นนะแต่ไม่ทําตามที่มันสั่งกิเลสเนี่ยให้เรารู้ไปแต่ไม่ตามใจมันก่อนนอนก็จะแบบฟังซีดีหรือไม่ก็นั่งสมาธิสักแป๊บหนึ่งแล้วก็นึกถึงพระบุตรสาแล้วค่อยนอนได้ดีพอแล้วครับดีใช้ได้เ ท, ท่านี้พอไหมครับหรือว่าต้องทำอะไรเพิ่มเพิ่มเติ ม, ตมอีกไหมฝึกอย่างนี้แหละนะต่อไปแล้วมันจะเพิ่มขึ้นเองอการปฏิบัติในรูปแบบมันจะเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆแต่เหมือนในรูปแบบไม่ค่อยไม่ค่อ ย, ยไม่ค่อยจะต่อไปมันต้องเพิ่ม นะอแต่ว่าอย่ารีบร้อนเพิ่มนะรีบร้อนเพิ่มเด๋ยวเครียดถ้าเครียดเดี๋ยวเลิกไปเหมือนใจไม่ชอบไม่ค่อยชอบในรูปแบบชอบไ<อ>ปทําอะไรในชีวิตประจําวันมากกว่า น, นะทําตัวนี้ให้ชํานาญก่อนจนมันอัตโนมัติขึ้นมาก่อนแล้วเราจะค่อยพบว่าเออฝึกในชีวิตประจําวันอย่างเดียวนะบางทีจิตไม่มีแรงเงี้ยเราจะอยากทําในรูปแบบขึ้นมาจะเพี้ยเพียครับง่วงออนะ ง, วนน ง, งหดนะดุิด ความหงุดหงิดล้เลยเลิกปฏิบัติไปเลยยิ่งแย่ใหญ่นะครับทําค่อยเป็นค่อยไปยังไงก็ไม่เลิกครับโออต้องอย่างนั้นสินี่หลวงพ่ออยากจะบอกต้องอย่างนี้สิวะ <c oughs> อไม่ค่อยเหมาะกับเราหน่อยนะหลวงพ่อนักเลงนะเวลาสู้กิเลสเนี่ยสู้อย่างนักเลงจริงๆเลยมึงจะแน่ักแค่ไหนกูจะสู้มึงนะสุดท้ายเออมึงเก่งขอบคุณครับ กรรมนมัสการหลวงพ่อคะ่ะหนูไม่ได้ส่งการบ้านมา9้าเดือนกว่า mm hmm. คราวนี้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งหนูก็ท้องเสียจนไปเป็นลมที่โรงพยาบาล mm hmm. แล้วก็ตอนที่เป็นลมคือก็รู้ว่าน่นแล้วก็เป็นลมไป mm hmm. มารู้ตัวอีกทีก็คือก็คือตัวเองเห็นตัวเองนอนราบอยู่บนเตียง mm hmm. ค, คือคือคมว่าเห็นหมาถึงความรู้สึกว่าเห็นขนาดนั้นก็คือมีความขณะนั้นก็เห็นกาย เห็นกายที่มันมือเท้าเกร็งแต่ว่ากายเนี่ยไม่ได้คือกายไม่ทํางานไม่ได้ลืมตามไม่ได้อะไรทั้งนั้นแต่ว่าเมื่อกีหนูก็รู้ว่าหนูจิตหนูทํางานแล้ว hmm. แต่หนูก็ยัง ก, ก็พอจิตทํางานมันก็ทํางานต่อที่หูอ hmm. หูหนูได้ยินว่าหมอเอาคุยกันอ hmm. คุยกับพยาบาลว่าเร็วเๆ็วเร็วเร็ ว, รวทำไมความดันมันตกทํำไมชีพจรมันต่ํามาก hmm. อะไรอย่างเงี้ย hmm. ให้เร่งไปเรียบหมอหัวใจมาไปเรียก ไปเอายามาแล้หนูก็ได้ยินก็ทํางานหมดขนาะนั้นจิตหนูก็คิดต่อว่าเอ๊ะหนูจะตายแล้วเหรออเพราะหนูจิตเท่านี้ปุ๊บจิตมันก็พูดต่อว่ามันหนูไม่กลัวหนูพร้อมจะตายลแลอวขณะนั้นมันก็เบิกบานอืพ้อมเบิกบานมากๆแล้วเบิกบานมากหนูก็หนูก็แล้หนูว่ารู้สึกว่าตอนนั้นหนูเห็นเห็นแสงคือหนูมองไปข้างหน้าหนูรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นแสงสว่างสว่างมากอแต่นั้นหนูก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าแสงแบบนี้หนูก็เห็นหนูก็เคยเห็นอื แต้นหนูก็ไม่รู้ครับพยาบาลก็มาเข็มมาจิ้มเข็มมากระตุ้นนุ่นกระตุ้นนี่คือกายมันก็กระตุกแล้วหนูก็เริ่มมองกายเห็นกายมันเป็นจีบจีบขามันจีบจีบหนูก็เริ่มจะพยายามขยับแล้วหนูก็รู้มันทําอะไรไม่ได้อพอสักพักหนึ่งเหมือนกับว่ายามันเริ่มทํางานทุกอย่างดีขึ้นก็หนูก็เริ่มรู้สึกตัวแสงสว่างที่เห็นตอนนี้ก็คือแสงสว่างของจากไฟนีออนหนูก็รู้ว่ามันต่างกันอแต่ว่าคําถามหนูว่า ว่าตอนที่หนูคิดว่าจะตายนั้นหนูหนูรู้สึกจริงๆว่าหนูจะตายเหรอมันแต่มันเบิกบานแต่ว่าถ้าหนูต่อไปหนูจะตายอืมันเป็นเองนะเราไม่ได้เจตนาจะเบิกบานนะคแต่พอจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่นะมันเห็นกายจะตายจิตมันยอมรับจิตไม่ดิ้นนะจะสว่างสวัยเบิกบานขึ้นมาแล้วแสงที่เราเห็นอยู่ข้างหน้ามันคือมันคือนิมิตธรรมดาหรือสิ่งที่เราจะไปข้างหน้าหรือมันไม่ใช่อะไรก็ได้ มันจะเป็นนิมิตในขนาดนี้ก็ได้มันยังไม่ใช่คตินิมิตอะไรหรอกเพราะยังไม่ได้ตายจริงคือมันไม่ได้ตายจริงเออนะแต่ว่าไม่ต้องกลัวเลยถ้าเวลาจะตายเป็นแบบนั้นนะยังไงก็สุขติแต่ถ้าแทนที่จะตามแสงไปถ้าตามแสงไปเนี่ยจะไปเป็นเทวโลกไปพรมโลกได้นะแต่ถ้าไม่ตามแสงไปนะรู้สึกอยู่ที่จิตนะกระทั่งมันดับไปเลย เพรหนูก็กลับเหมือนกับว่ามันมันแสงสว่างมากแล้วมันก็เหมือนกับมันไม่มีอะไรอยู่แสงสว่างอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอก อ, อ, อไม่ใช่จิตหรอกใช่หนูก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจิตหนูออกรอบออกนอกนั่นแหละจิตมันก็ออกนอกถ้าจะตายจริงนะก็ไปสุคติอครั้ น, นี้ต่อมาหนูก็ปฏิบัติอยู่ในปฏิบัติรูปแบบก็ปกติเพียงแต่ว่าสิ่งที่เมื่อก่อนหนูเห็นหนึ่งพระอาจารย์บอกว่าหนูเนี่ย แยกกายยกจิตแยกเวทนาหนูหนูก็รู้หนูทําได้แต่ว่าสิ่งที่คราวนี้หนูเห็นก็คือหนูเห็นว่ากายเนี่ยมันเป็นแต่ทุกข์อย่างเดียวมันไม่มีมันอะไรนะมันมีแต่ทุกข์อย่างเดียวมันมีแต่สภาพที่บีบคั้นอย่างเดียวใช่ยังจิตมันจะมีสุขทุกข์แล้วก็เฉยเฉยใช่ไหมไม่ใช่พระหลานไม่ใช่หนูหหนนูหน่อยากถามว่าที่หนูเห็นถูกไหมคะเห็นถูกมันไม่มีสภาพว่าเฉยเฉยหรือว่าสุขที่กายเนี่ยกายเนี่นะถ้าเจริญปัญญาเต็มที่นะมันจะทุก ทุกมากกับทุกน้อยจิตนี่นะถ้าเจริญปัญญาเต็มที่นะก็จะเหลือแต่ทุกทุกมากกับทุกน้อยวันหนึ่งหนูก็เดินเดินอยู่หนูก็เห็นจิตจิตมันบอกว่ายืนเฉยเฉยมันก็ทุกแล้วใช่มันมีแต่ทุกถ้าแจ้งตรงนี้นะมันจะแจ้งเลยว่านอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรดับไปมันจะไม่มีที่ให้หย่างเท้าลงไปแล้วมีความสุขเลยในสังสารวัตนี้ แต่ท่านบอกว่ายิงย่งเห็นทุกข์แล้วยิ่งเห็นทุกข์แล้วเจอสุขนุนมยังไม่ถึงเวลายังทุกข์ไม่พออย่าท้อใจนะ <c oughs> อ๋อห น, หนูก็ไม่ท้อหนูก็เหมือนคนข้างๆคือหนูก็หนูก็ไม่ถึงท่านนี่นะคือถ้าเมื่อไหร่สังเกตไหมว่าเราภาวนานจิตมันพลากออกจากกายเราไม่ทุกข์เพราะกายตัวนี้เห็นแล้ว <c oughs> ครับต่อไปจิตมันพลากออกจากจิตไม่ยึดถือจิต จะไม่ถูกพระจิตอีกตัวนี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็น อ, อนะค่อยฝึกไปนะจนกระทั่งจิตก็ไม่ยึดจิตนั่นแหละแปลว่าเก้าเดือนที่หนูไม่ได้มาสง่งคำบ้านหนูก็ยังทําอยู่ในในในถูกต้องอยู่ถูกต้องนะทําอยู่นะทําไปด้วยที่หนูเห็นคือหนูดิ้นรในใจน้อยลงถูกต้องไหมคะถูกมีอะไรแนะนําหนูเพิ่มเติมไหมคะก็ไปทําสม่ําเสมอนะัอ่นแหละทําเป็นแล้วต้องทําอย่างที่หลวงพ่อบอกนะั่นแหละทําให้สมควรก่บทา กับคนที่เราใกล้ชิดทําไมมันถึงวางยากคะก็ดีแล้วต้องวางสิงไปแบกก็เหนื่อยเหมืนอนหนูไหมครับว่าทําไมมันยากคะฮะมันวางยากอะ่ะข อ, อวาง <ใจ S 1> ยา ก, กนั่นแหละต้องฝึก อ, อีกเข้มแข็งมากๆเลยนะกว่าจะวางได้อนะวางศัตรูเนี้ยง่ายนะวางคนที่เรารักยากนะบางคนสละตัวเองนะง่ายกว่าสละลูกนะใจ จะว่าเฮี้ยมสุดเฮี้ยมเลยก็จะข้ามสังสา ร, รวัตรไม่ใช่หยอหยอใหญ่เลยพระเวสสันดรไม่กล้าสละลูกไม่ใช่เห็นแก่ตัวเลยนะแต่ว่าเป็นมหากรุณาที่เห็นแก่สัตว์ ท, ทั้งหมดเลยไม่ใช่รักแต่ลูกตัวเองถ้ารักสัตว์ทั้งหมดเลยเพรานั้นบางคนก็บอกพระเวสสันดรเห็นแก่ตัวสละลูกไปเพื่อจะได้โพธิญาณยังก็ได้โพธิญาณแล้วดี ท่านอยากจะช่วยสรรพสัตว์ต่างหากเป็นความเสียสลายอย่างแรงเลยนะและกระทั่งชีวิตก็สลายได้ลูกก็สลายไดนะ้แต่เรายังไม่ถึงขนาดนั้นนะเราไม่ได้เดินพุทธภูมิแต่ว่าหลวงพ่อเทียบให้ฟังว่าการปฏิบัติเนี่ยที่เรียกว่าเอกกายนามักเนี่ยทางสายเอกทางสายเดียวเป็นเส้นทางที่เดินคนเดียวนะต้องเข้มแข็งจริงๆไม่เข้มแข็งยังไม่จบอ่ะกราบขอบพระคุณค่ะ ยากมากยากมากนะใจใจอย่างพระเวสสันดรนะเราเข้าใจยากเกินภูมิที่เราจะรู้จักใจที่ไม่ยุดอะไรน ะ, นะครับเราก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ถามตอบกันมาจนครบเวลานะครับกาสุดท้ายนี้จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านกล่าวคำถวายทานนะครับ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 อิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวาสมิชชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทพันรโสยถามนิโชติรโสยธาสัพีดีโยวิวัชชนตูสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ายุโกภวะอาภิวาทนสีลิสนิตจังุทธาปัจจายโน จตาโรโหธรรมาวทันตีอายุวันโนสุ ข, ขังพระลังภาวนาน่าสังสารวัฏน่ากลัว